ซีดีธรรมบัญญายชุดจารึกบุญจารึกธรรมโดยพระพรหมคุณาพรปออประยุทธ์โตวัดยานเวสส ก, กววนตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่สี่หัวใจธรรมจากจุดศูนย์กลางบัญญายที่เวรุวันมหาวิหาร เมืองราชเครืประเทศอินเดียเมื่อวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538เวลา13นาฬิกา45นาทีขอเจริญพรโยมทุกท่านผู้ร่วมในบุญญ า, าริกทั้งนี้วันนี้เราก็ได้เดินทาง มาถึงพระเวฬุวันวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาซึ่งตั้งอยู่ในเมืองราชคลึเรามาที่เมืองราชคลึอีกครั้งหนึ่งความจริงเมื่อวานนี้เราก็มาแล้วแต่เรามาแค่ที่พระมูลคันตกุดีกุติเดิมของพระพุทธเจ้าที่เขาขิจกุแล้วก็เวลาก็มุดค่ําเราก็ไม่สามารถจะมาถึงพระเวฬุวันได้ทั้งๆ ท, ที่อยู่ที่ใกล้กันก็จึงต้อง กลับไปพักผ่อนกันที่วัดไทยนารันธาตามค่ภพีท่านบอกว่านารันธามาถึงราชครืนนี้ห่างกันหนึ่งยอดหนึ่งยอดนี่มาเทียบปัจจุบันก็ต้องสิบหกกิโลเมตรนี่ก็ระยะทางในบัด น, นี้ทางรถยนต์ก็ทราบจากท่านหมหาบุญธรรมว่าสิบสามกิโลเมตรก็แสดงว่าตัวเลขใกล้เคียงมาก ก็อาจจะเป็นได้ว่าสมัยก่อนนี่เป็นทางเกวียนทางเกวียนก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการที่วัดคร่าวๆเพราะฉะนั้นก็ใกล้เคียงความจริงว่าตัวเลขเก่านครับที่ซึ่งนานต้องเป็นพันๆปีแล้วก็บข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบันแสดงว่าสถานที่ต่างๆที่เรามานี่คงไม่ผิดแน่นอนนี่เราก็เดินทางมาเมื่อกี้นี้จากนารันทาแล้วก็มาราชครื ในเวลาประมาณสักเท่าไหร่เมื่อกี้นี้ใช้เวลาสักยี่สิบนาทีได้ไหมประมาณนั้นสำหรับระยะทาง13กิโลเมตรหรือ1โยชนโยซึ่งตามตัวเลขของการคำนวณก็ต้องเป็น16กิโลเมตรสำหรับเรื่องเมืองราชคล้นี้อัตมาก็ได้เคยพูดถึงแล้วสองสาครั้งว่าเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคตแล้วก็เป็นเมืองหลวงสมัยพุทธกาล ก็ได้เล่าให้ฟังว่าต่อมาก็ได้ย้ายไปสู่เมืองปาจลีบุตรแต่ก่อนที่จะไปสู่ปาจลีบุตรนั้นก็ตามตำนานก็ว่าย้ายไปเมืองเวสาลีก่อนคำพีบอกว่าพระเจ้าศรีสุนาคหรือศรีสุนาเป็นผู้ย้ายเมืองหลวงแควนมคตจากราชครืไปที่เวสาลีเวสาลีนี่โยมหลายท่านอาจจะไม่รู้จัก ดา ต, ตมาได้เล่าเรื่องแคว้นวัดชีแล้วเวสาลีเป็นเมืองหลวงของแคว้นวัดชีเวลาเรียกเป็นภาษาไทยเรามักนิยมรูปสันสกิดเราก็เรียกกันว่าภาัยสาลีภัยาลีกับเวสาลีก็เมืองเดียวกันเวสาลีเป็นเมืองหลวงของแคว้นวัดชีพนิการที่พระเจ้าศีสุนารแห่งแคว้นมคธจะย้ายเมืองหลวงจากราชครือไปตั้งที่เวสาลีได้นั้นก็เพ้าว่า แคว้นมคตได้ปราบปราบพวกแคว้นวัชฉีลงได้แล้วแล้วก็วัดฉีก็กลายเป็นส่วนหนึ่งแคว้นมคตไปอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเวสาลีนั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นมคธพระเจ้าแผ่ดินมคตก็เลยตั้งเมืองหลวงย้ายเมืองหลวงอาตามชอบใจชอบเมืองเวสาลีก็เลยย้ายไปเมืองเวสาลีเนอะต่อมาตอนสังขยาณา ครั้งที่สองพระเจ้ากาลาศโศกราชเป็นพระเจ้าบผ่นดินผู้ประถับสังเกนาครั้งที่สองเนี่ยก็ไปจัดการสังคนาที่เมืองเวสารีนี้ด้วยซึ่งก็อยู่ในอำนาจแคว้นมกคาแล้วจนกระทั่งต่อมาอีกมาถึง อ, อ๋อนี่แหละพระเจ้ากาลาศโศกราชนี่แหละเป็นผู้ย้าย เมืองหลวงจากเวสาลีไปที่เมืองปาตาลีบุตรอีกที่หนึง่งแสดงว่าย้ายกันต้องสองครั้งย้ายจากราชคฤึ่ไปเวสาลีแล้วก็ย้ายจากเวสาลีไปที่ปาตลีบุตรอีกทีหนึง่งแล้วตอนที่พระเจ้ากาลาสุกราชอุปถัมภ์สังเฮนาครั้งที่สองนั้นการสังเฮนาก็จัดที่เมืองเวสาลีอันนี้รายละเอียดนี้ก็ไม่ได้ตรวจตาให้แน่นอนอาจจะเป็นได้ว่า หลังจากที่จัดสังเขนาแล้วพระเจ้ากาลาสุกราจรึงได้ย้ายเมืองหลวงไปที่ปาตาลีบุตรหรือว่าอาจจะย้ายไปก่อนแต่เวสารีก็ยังเป็นเมืองใหญ่ก็พระสงฆ์ก็มาจัดการสังเขนาที่เวสาลีอันนี้ตมาไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานนีเพราะว่าเรื่องเก่าๆบางทีแล้วก็ดูผันผ่านกันไปเท่านั้นเองเล่าจากความทรงจําและข้อมูลเบเล็ดเสร็จเท่าที่จะระลึกขึ้นมาได้แล้วก็รวบรวมได้อันนี้ก็เป็นภาพ ของเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่มาสัมพันธ์กับเรื่องราวในพระพุทธศาสนาแล้ก็ขอย้อนกลับมาพูดถึงเมืองราชคลีเพราเมืองราชคลีนี้เป็นเมืองหลวงสําคัญในสมัยพุทธกาลอย่างที่กล่าวแล้วที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบกับพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้ปกครองในร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าแล้วต่อมาก็พระเจ้าอาชาจะศัตรูพระราชโอรสก็ได้ปลงพระชน พระราชบิดาคือพระเจ้าปิมพิสารและพระเจ้าช า, าติสุขขึ้นครองราชแล้วพระเจ้าช า, าติสุขก็ห่างเหนินจากพระพุทธศาสนาไปพักหนึ่งจงกนกระทั่งตอนหลังจึงหันมาอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาตลอดจกนกระทั่งอุปถัมภ์การสังเเนน า, นาครั้งที่หนึ่งซึ่งเป็นครั้งแรกของพระพุทธศาสนานี้อันนี้เมืองราชาคลีก็เป็นเมืองที่มีชื่อเรียกหลายอย่าง อย่างหนึ่งก็เรียกว่าเบนจ์คีรีนครเบนจคีรีนครก็แปลว่าเมืองที่มีเขาทั้งหเขาห้าเขาก็ท่านมหาบุญธรรมก็เล่าให้โยมฟังไปแล้วก็มีเขาคิจกูดที่เราไปขึ้นเมื่อวานแล้วก็มีเขาปันดวะเนี่ยรูปทรงเป็นบันดอกแล้วก็มีเขาเวภาระที่เป็นที่ทําสังเวยนาครั้งที่หนึ่งที่ทํามสัตบรรณุคูหาแล้วก็มีเขาอิสิกิริ แล้วก็เขาเวปุลละห้าภูเขาเนี่ยก็เหตุที่เมือง น, นี้ตั้งอยู่ติดกับภูเขาห้าลูกก็เลยเรียกชื่อว่าเบนจคีรีนครแล้วก็เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งตามมาจากการที่มีภูเขาห้าลูกล้อมรอบอยู่วราภูเขาห้าลูกนี้เป็นเหมือนคอกล้อมรอบเมือง น, นี้เมือง น, นี้ก็เลยชื่อว่าคีริปัชะแปลว่ามีภูเขาเป็นคอก ก็คือมีภูเขาล้อมรอบนั่นเองนี่ก็เป็นชื่อต่างๆของเมืองราชครืซึ่งก็ไม่จาเป็นจะต้องจดจำอะไรก็เป็นเพียงความรู้รอบตัวในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้ยินไว้ก็อาจจะผ่านผ่านไว้ก่อนข้อสำคัญก็คือว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสเสด็จมาประดิษฐานพระพุทธศาสนาที่เมือง น, นี้ก็ทรงทรงต้องมองเห็นการไกล อย่างที่กล่าวแล้วว่าตอนนั้นก็มีแคว้นแคว้นใหญ่ๆตั้งหลายแคว้นขอทวนซ้ำอีกทีหนึ่งที่บอกว่ามีมหาชนบทหรือประเทศใหญ่ๆอยู่ทั้ง16แคว้นและมาถึงพุทธการก็มีแคว้นที่สําคัญอยู่ในย่านนี้ก็3มแคว้นก็คือแคว้นมคธนี่แล้วก็แคว้นวัดชีแล้วก็แคว้นโกศลพอสิ้นพุทธการไปนี่ก็แคว้นโกศลก็ดีวัดชีก็ดีก็มาตกอยู่ใต้อํานาจแคว้นมคธหมด นาราชครึ่งจึงเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญรุ่งเรืองและอำนาจในทางการบ้านเมืองนี่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประดิษฐานพุทธศาสนาที่นี่ก็ถ้าว่าในทางการเมืองก็แสดงว่าได้ที่ที่เหมาะที่สุดแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาประดิษฐานพระพุทธศาสนาในเมืองราชครึ่แล้วก็ทรงประกาศพระศาสนาเริ่มตั้งแต่ทรงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ หันมานับถือพระพุทธศาสนาก็เป็นองค์สาสนุปธรรมพกแล้วต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงโปรดอัครสาวกสองท่านก็คือพระสารีบุตรและโมกขลานนะแต่ย้อนกลับไปพูดนิดหนึ่งอาตมาก็คอยเล่าคาไปหรือว่าพระเจ้าปิมิาสานเมื่อเลื่อมใสแล้วเนี่ยก็ได้ถวายวัดแห่งแรกก็คือวัดเวฬุวันเนี่ยเวฬุวัน น, น, น, นก็แปลว่าป่าไัยเรามาในที่นี้ ด้านนังนอกโยมก็ยังเห็นต้นไผ่ไม่ทราบว่าไผ่นี้จะสือมาจากพุทธการหรือว่าเป็นไผ่ปลูกใหม่แต่ว่าก็ดีเป็นบรรยากาศที่ทําให้เราหัวหน้า ล, ลึกไปถึงวัดพระเวรุวันซึ่งมีความหมายว่าเป็นป่าไผ่นี้ป่าไผ่อันนี้สมัยพุทธกาลก็คงจะมากกว่านี้มากมายพระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับที่นี่ก็ถือว่าเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา นี่เหตุการณ์สําคัญต่อมาก็คือว่าทรงได้อักขรสาวกซ้ายขวาเขาได้อักขรสาวกซ้ายขวาคือพระสารีบุตรและโมกลานะนั้นตามประวัติก็บอกว่าพระโมคกลานะบวชได้เจดวันก็ได้รบรรลุอรหัตผลส่วนพระสารีบุตรนั้นมีปัญญามากได้บรรลุอรหัตตผลทีหลังมีปัญญามากกลับบรรลุทีหลัง พระถาจารย์ท่านก็อธิบายบอกว่าเหมือนกับพระเจ้านดินหรือแม่ทัพใหญ่ๆนี่เวลาจะเคลื่อนทัพไปนี่ช้าอืดอาดไม่เหมือนกับคนชาวบ้านทั่วไปนี่จะไปไหนก็ไปปุ๊บปับ๊บทันทีไปได้สแสดงว่าภาษาที่บุตรปัญญาท่านมากท่านคิดเยอะใส <c oughs> ่ตรองพิจารณาทวนหลังทวนหน้าสืบหาเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยเหมือนพระราชาที่ว่าจะยกทัพจะเคลื่อนย้าย พลละกายไปที่ต่างๆนี่ล่าช้าหน่อยแต่เมื่อภาษาดิบุตรจัดสรุปแล้วนั่นคือราบอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาเพราะเป็นกําลังของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าจัดสรรเสริญภาษาดิบุตรนอกจากเป็นเอตตทัศน์ในทางมีปัญญามากและพระองค์ตรัสว่าสามารถแสดงพระธรรมจักรได้แม้นพระองค์ทีเดียวนะคือพระธมัจจ์นี่กัเราก็รู้กันว่าเป็นพระสูตรที่สําคัญแสดงหลักการของพระพุทธศาสนาภาษาริบุตรนี่สามารถ แสดงได้แมนเหมือนพระองค์ทีเดียวเพราะฉะนั้นเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ของพระพุพทธเจ้าทำงานเป็นก็เรียกก็มือขวาชัดอยู่แล้วเรียกว่าอักษาวกเบื้องขวาในภาษาริบุตรนี้ก็ได้จัดสรู้บรรลุรัตผลสิบห้าวันหลังจากที่ได้บวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมโน้นกรงท่ามสุขราขาตาที่เราขึ้นไปบนเขาขี้จกูดเมื่อวานก่อนที่จะขึ้นไปถึงพระคันทกุดีบนยอดนี่นก็ ได้ผ่านถ้ำสุกราขาตาถ้ำสุกราขาตานั้นก็เป็นจุดที่ภาษาริบุตรท่านได้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแกททาา่ทีฆนขะบริพายชกภาษาริบุตรนั้นก็อยู่เบื้องหลังเขาเรียกว่าถวายงานทัดอยู่ณเบื้องพระปริสดางของพระพุทธเจ้าเบื้องพระปริสดางก็คือข้างหลังนั่นเองก็ตอนนั้นก็เป็นลูกศิษย์เป็นสตธิวิหาริกก็เลยดูแลปฏิบัติพระอุปชัชฌาย์ ก็พัดให้พระพุทธเจ้าทีนี้ก็พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้แก่ปริพาชกภาษาดิบุตรก็เลยได้ฟังด้วยเมื่อฟังจบแล้วภาษาริบุตรก็เลยได้บรรลุอรัถผล เ, เหตุการณ์ก็มาประจวบตอนนี้ละตอนนี้ก็พอดีจะถึงวันเพ็ญเดือนสามวันเพ็ญเดือนสามนับจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาท่านบอกได้เก้าเดือนพอดีพระพุทธเจ้าตรัสรู้วันเพ็ญเดือนหกแล้วก็มาจําำรรษาแรก เมื่อแสดงธรรมจักกปโตรนสูตรที่เมืองพาราณสีอิสิปตนมุกขายวันแล้วเสด็จต่อมามายังแวรนมคตเ น, เนี่ยมาถึงนี่จะได้อัคารสาวกมาแสดงธรรมโปรดทีคณะปริพาชกภาษาริบุตรได้ตรัสรู้นี่ร่วมพอดีเ้าเดือนเ้าเดือนพอดีถึงวันมาคภูรณมีวันเพ็ญเดือนสามเป็น เวลาที่ถือว่ามีความสําคัญคือว่าแต่ก่อนนี้ก็ถือปฏิทินทางจันทรคติเพราะฉะนั้นวันเพ็ญจะมีความสําคัญอยู่โดยสามันแล้วแต่นอกจากนั้นก็ท่านยังบอกว่าเป็นวันสําคัญในาศาสนาพราหมณ์ด้วยบ้างก็บ่าเป็นวันศิวาราตรีอะไรต่างๆอันนี้เราก็ไม่ต้องเอาใจใส่มากนักละโดยความว่าเป็นวันที่มีความสําคัญในาศาสนาเดิมของเขาตามประเพณีอันนี้ ก็เลยเกิดเหตุการณ์ในพุทธศาสนาขึ้นมาด้วยว่าตอนเย็นพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาจากเขาคิจจกูฏแล้วก็มาที่พระเวฬุวันนี้ปรากฏว่ามีพระอรหันต์ได้มาประชุมกันที่นี่ที่พระเวฬุวันนี้หนึ่งพันสองอยห้าสิบองค์ก็เกิดเป็นการประชุมใหญ่ของภาษาวกขึ้นตอนนั้นอย่างต้นพุทธกาลเราคิดดูแค่ เกเดือนเท่านั้นเองหลังจากจัดสรุปนะมีภาษาพกมาประชุมกันตั้งพันองร้ก็ต้องถือว่าเป็นการประชุมใหญ่ท่านเรียกว่าเป็นมหาสนนิบาตในการประชุมครั้งนี้มีลักษณะพิเศษที่ว่ามีองค์ประกอบสี่ประการก็คือว่า 1. มีพระภิกษุ1250รรูปมาประชุมกันแล้วล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิน้น แล้วก็ท่านเหล่านั้นล้วนแต่ว่าเป็นเอหิพิคูปสัมปทาได้บทโดยตรงจากพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าบทให้เองแล้วก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอภิน ญ, ญาแล้วก็มาโดยไม่ได้นัดหมายกันด้วยนันะถือว่า น, นี้องค์เป็นองค์ประกอบสี่ประการก็เลยเรียกการประชุมนี้ว่าจารุรงคสันนิบาตแปลว่าการประชุมที่พร้อมด้องค์ี่ประการพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่า การพักพร้อมอย่างนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษที่ดีเหมาะแก่การที่จะทรงแสดงธรรมเป็นพิเศษก็เลยได้ทรงแสดงโอวาทหลักคำสอนที่เป็นหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาเราเรียกกันว่าโอวาท้ปาติโมกโอวาทก็โอวาทหรือคำกล่าวสอนปาติโมกก็ที่เป็นหลักเป็นประธานคำกล่าวสอนที่เป็นหลักเป็นประธานก็คือคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาใน คำสอนนี้ก็มีตั้งหลายตอนมีทั้งหมดสามคาถาครึ่งก็พูดง่ายๆว่ามีสามตอนวันนี้เรามาประชุมกันในที่นี้ก็พอดีประจวบมาที่พระเวรุวันด้วยแล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นวันมาคาปุรณมีเป็นวันเพ็ญเดือนสามก็จะเป็นวันมาคาบูชามาคาบูชาจะมาถึงวันพรุ่งนี้วันนี้ก่อนไปวันหนึ่ง แต่ก็คิดว่าไหนๆมาที่นี่แล้วใกล้วันจริงแล้วก็เลยทําวิธีมาขัฟบูชากันที่นี่เลย mm hmm. แม้จะยังไม่ตรงก่อนหน้าวันหนึ่งก็ไม่เป็นไร <Okay. S 1> เราก็เลยมาฟังธรรมเรื่องในวันมาคบูชาในอย่างที่กล่าวแล้วว่าในวันมาคบูชาหรือวันมาคับุญนมีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกเราก็เลยมาศึกษาเรื่องโอวาทปาติโม ก, กันหน่อย เพราะว่าปติโมกได้บอกโยมเมื่อกี้นี้บอกว่าประกอบด้วยคาถาสามคาถากึ่งแล้วจะเรียกว่าเป็นสามตอนก็ได้ตอนที่หนึ่งนี้ก็มีว่าอาตมาจะเล่าให้ฟังก่อนนะคือว่าจะเพิ่มถือเอาเป็นเรื่องที่หนักสมองเพราะว่าฮเวลาพูดให้ฟังอย่างนี้ก็รู้สึกว่ายากเหมือนกันแหละแต่เอาพอผ่านๆไว้ก่อนเดี๋ยวอาตมาค่อยไปจี้จุดที่ต้องการให้โยมรู้อีกทีหนะึง ลำดับความว่ามีคาถาสามตอนตอนแรกนี้ก็บอกว่าขันตีปรัมังตโปตีติกขาเนปทานังปรัมังวทันติพุทธานาหิ ป, ปัพพิโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันโตอันนี้คาถาแรกเลยคาถาแรกนี้แสดงอะไรบ้างแสดงลักษณะของพุทธศาสนาที่ต่างจากศาสนาพื้นเดิมที่มีอยู่พุทธศาสนาเกิดขึ้นใหม่ เมื่อจะแสดงหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนาจุดแรกก็คือการแยกออกจากศาสนาเดิมเพราะอันนี้จะเป็นข้อสําคัญเพื่อให้ชาวพุทธนี่รู้จักตัวเองรู้จักหลักคําสอนให้ถูกต้องไม่เชนั้นเดี๋ยวจะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปเทยวปะปนกับรัฐที่อื่นๆคําสอนอนแรกก็บอกขันตีประมังตโปตีติดขาคือสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมานั้นเพราะปฏิบัติสําคัญในศาสนาพื้นเดิมก็คือเขาชอบบาเพ็ญตะบะการบำเพ็ญตะบะนี่เป็นที่นิยมกันนักหนาว่าจะเป็นทางที่จะทําให้บรรลุความบริสุทธิ์หลุดพ้นถึงจุดหมายของศาสนาศาสนาในยุคนั้นก็เลยมีการบำเพ็ญตะบะกันมากพระพุทธเจ้าได้ทรงให้ประทานคําสอนใหม่ว่า การที่มาทรมานร่างกายตนเองด้วยประการต่างๆเช่นว่าไปอดข้าวกลั้นลมหายใจนอนบนน้ำอาบน้ำในฤดูหนาวตากอยู่กลางแดดในฤดูร้อนอะไรทํานองนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ใช่หนทางที่จะทำให้เกิดการตัดสู้อย่างนักบวชเชนแม้แต่สมัยปัจจุบันก็ยังใช้วิธีประเพณตะบะอยู่ว่าเช่นเขาจะโกนผมเขาก็มาใช้มีโกนเขาจะถอนผมทีละเส้นอย่างที่เราพบ ที่เรียกว่าสาธวีที่มานั่งอยู่ในพิธีเมื่อเช้าเนี่ยที่นารันทาที่แต่งชุดขาวแล้วมีอะไรปิดทิปจมูกหรือปากนะั่นน่ะนั่นเรียกว่าสาธวีเป็นนักบวชเชนนิกายสเสวตำพรหรือเสตำพรแรียว่านุ่งขาวห่มขาวนั่นเป็นนักบวชหญิงของเชนถ้าหากว่าเป็นอีกนิกายหนึ่งก็จะเรียกว่าทิขำพรไม่นุ่งผ้าเลย ทีนี้มื่อเช้านี้เราไปเจอนิกายที่นุ่งผ้าขาวและนักบวชเชนนี้ก็ทรมานร่างกายตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะโกนผมเนี่ยเขาจะถอนผมทีละเส้นนักบวชผู้หญิงมาาื่อเช้าเรียกว่าสาทวีนั้นก็เหมือนกันเวลาเขาจะโกนผมก็ก็จะถอนทีละเส้นก็ลองนึกดูว่าจะเจ็บแค่ไหนเราถือว่าไม่ตามใจร่างกายมันทรมานมันมันจะได้หมดกิเลสไปพระเจ้าก็ตรัสว่าการประเพนตบาทเนี่ย ที่ทรมารร่างกายเนี่ยไม่ใช่วิธีทางแห่งความหลุดพ้นที่จะเข้าถึงจุดหมายของศาสนาก า, ารที่ตัดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดความรู้เข้าใจลักษณะที่แตกต่างของมุตาศาสน า, ศาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มแต่วิธีปฏิบัติโรองก็ตัดแทนลาว่าขันตีประมังตะโปตีติขาขันติคือความอดได้ทนได้นี่แหละเป็นตะบะอย่างยิ่งไม่เอาที่การไปทรมารร่างกายเอาขันติ ความอดทนโดยใช้สติปัญญาทำความเพียนไปแล้วก็มีความเข้มแข็งในจิตใจที่จะทำการให้สำเร็จด้วยความอดทนอย่างนี้นี่ก็เป็นตะบะแล้วไม่ต้องไปเที่ยวบุธรบาลร่างกายตัวเองแล้วจากข้อปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าก็ก้าวไปสู่จุดหมายของพุทธศาสนาบอกว่านิพพานังประมังวันติพุทธานิพพานเป็นบรมธรรมนิพพานเป็น ธรรมะอันสูงสุดเป็นธรรมะอย่างยิ่งอันนี้คือการแสดงจุดหมายของพระศาสนาว่าได้แก่พระนิพพานไม่ใช่ลัทธิไปสู่พระพรหมอะไรสมัยนั้นศาสนาพรามณ์นี่เขาถือว่าจุดหมายของศาสนาก็คือธ ร, รัมะสหพยาตาอันนี้จะมีในพระสูตรเช่นอย่างเตวิชสูตรในพระไตรปิฎกทีคณิกาย จะพูดถึงเรื่องพราหม์นี่พยายามที่จะเข้าถึงพรหมไปอยู่รวมกับพระพรหมด้วยวิธีต่างๆพุทธเจ้าก็ตัดคัดทาน เ, าเป็นอันว่าการอยู่ร่วมพระพรหมการเป็นหนึ่งเดียวกับพระพรหมการเข้าถึงพรหมเนี่ยเป็นจุดหมายศาสนาพราหมณก่อนพระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้นพุทธเจ้าก็ตัดแสดงจุดหมายของพุทธศาสนาว่าได้แก่นิพพานบอกให้รู้ชัดไปเลยไม่ใช่ไปอยู่กับพระพรหมนะนะแล้วต่อไปก็ สิ่งที่ปรากฏของศาสนาข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนักบวชนักบวชคือคนประเภทใดที่เป็นบรณชิตเนยพุทธศาสนาพระเจ้า ก, ก็ตรัสออกไปเลยว่าคนที่จะเป็นบรรณชิตนั้นไม่เป็นผู้ทําร้ายผู้อื่นนะถ้าเป็นผู้ที่ทําร้ายเบียดเบียนคนอื่นไม่เชื่อเป็นสมณะคือหมายความว่านักบวชหรือสมณะหรือบรรณชิตเนี่ยไม่ใช่คนทำร้ายคนอื่นเป็นผู้ไม่มีภยัยมีเวรอันนี้ก็เป็นลักษณะสําคัญของ พระภิกษุซึ่งเป็นวันณชิตในพระพุทธศาสนาไม่ได้เอาที่การเป็นสื่อตัวกลางระหว่างพระพรหมกับมนุษย์เนี่ยอย่างศาสนาพราหมณ์นี่นักบวชก็เป็นผู้ทําหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างพระพรหมกับมนุษย์นะหรือเป็นผู้ผูกขาดพระเวทเป็นผู้ทําพิธีบูชายัญนะอะไรทํานองนี้ความหมายหลายอย่างหรือว่าเป็นผู้ที่สามารถดนบรันรดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้มีอํานาจอภินิหารในความหมายของนักบวช จะมีเป็นประการต่างๆพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปเลยลักษณะนักบวชบรรพชิตในพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ความเป็นผู้ไม่มีภัยมีเวรลักษณะนี้จะมีมาในประเพณีพุทธศาสนาตลอดมาคือเราจะมีความรู้สึกว่าถ้าเห็นพระสงฆ์เราจะปลอดภัยมีความลมเย็นพระสงฆ์ไปไหนไม่มีภัยมีเวรไม่มีอันตรายแก่ใครอันนี้ลักษณะที่แท้จริงของพระไม่ไปเอาที่การที่แบบไปทํา ฤทธเดชปาฏิหาร์โดนบันดาลมาเป็นสื่อกลางพับพรมอะไรต่างๆอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่แยกให้ถูกเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าจัดให้เห็นลักษณะบางอย่างที่เด่นชัดในพระพุทธศาสนาที่ต่างจากศาสนาพื้นเดิมซึ่งใช้ได้แม้กระทั่งปัจจุบันนี่คือคาถาที่หนึ่งเนื้อทายงเข้าใจอย่างนี้จ ะ, จะเห็นว่าออคาถาในพระโอวาทาปาติโมงนี้มีความสําคัญอย่างไรอ้าอธตมาก็ผ่านไปล้คาถาที่หนึ่ง ทีนี้ขาถาที่สองพอแสดงลักษณะของพุทธศาสนาที่ต่างจากศาสนาอื่นๆโดยเฉพาะในยุคนั้นและพระองค์ก็เข้ามาถึงตัวหลักคำสอนเลยหลักคำสอนก็มีว่าสัพพปาปัสะอาการนังกุศลสูปสัสสมปทาส จ, จิตตะปริโยทะปนังเอตังพุทธานัสสสนังก็บอกออกไปว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวงหนึ่งการทาความดีหรือกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่ง การทําใจให้บริสุทธิ์ทองสายหนึ่งนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหลงพ่อได้บอกกับของพระพุทธองค์นี้นะพระองค์บอกพุทธานดังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็สอนอย่างนี้หมดนะอันนี้คาถานี้เป็นคาถาที่ชาวพุทธรู้จักมากที่สุดและพระก็นิยมสอนเพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติคาถาที่หนึ่งนั้นแสดงลักษณะสําคัญของพุทธศาสนาพระมาัคาถาที่สองนี้เป็นคําสอน สำหรับเป็นภาคปฏิบัติเลยว่าชาวพุทธเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างหนึ่งไม่ทำชั่วสองทำความดีสามทำใจให้ผองใสอันนี้จำกันได้ดีแล้วเพราะฉะนั้นอาตมาก็ไม่ต้องอธิบายมากแต่อาจจะย้อนกลับมาพูดอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปท่อนที่สามอิคาถาเกึ่งสุดท้ายอกคาถาเกึ่งนั้นก็มีว่า อนุปวาทโทอนุปคาโตปาติโมกเข็จจะสังวโรมัตตัญญาจะพัตตสมิงปันตัญจะเสยนาสนังอธิจิเตจะอายโยโคอยตังพุท ธ, ธานาสาสนงอันนี้ก็เป็นท่อนที่ถือกันว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่เผยแผ่าศาสนาว่าจะประพฤติปฏิบัติตัวยอย่างไรนะคือพอได้คาสอนที่จะสอนแล้วทีนี้ตัวผู้ที่จะสอนเขา นำคำสอนไปเผยแผ่นี้ควรจะดำเนินชีวิตมีวัตะปฏิบัติอย่างไรก็เริ่มด้วยอนุปวาโตการไม่ไม่กล่าวร้ายหนึ่งอนุปคาโตการไม่ทำร้ายหนึ่งะพระจะไปสอนเขานี้ต้องเป็นตัวอย่างไม่กล่าวร้ายใครไม่ทำร้ายใครปารติโมกเขจะสังวโรแปลว่าสารวมตนในปาติโมกปาติโมกก็คือหลักทวิ น, นัยคาสอนที่เป็นพื้นฐาน ที่เป็นระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการดําเนินชีวิตของพระภิกษุก็จะต้องมีความสํารวมระวังตั้งอยู่ในปาติโมกในศีลปัจจุบันที่เรารู้กันว่าศีล227มัตตัยุตาจะพัฒต์สมิงแปลว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอันนี้ก็ข้อสําคัญแต่รู้จักกินพอดีเป็นผู้รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารบริโภคด้วย ความรู้เข้าใจวัตถุประสงค์โดยใช้ปัญญาไม่ได้กินอาหารเพื่อจะเพียงอริดอร่อยเพื่อจะตามใจอยากตามใจลิ้นนะโดยเฉพาะพระสงฆ์นี่เป็นผู้ที่ดําเนินชีวิตด้วยอาศัยญาติโยมเลี้ยงต้องอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเป็นอยู่ง่ายๆไม่มัววุ่นวายมาคุ่นคิด และใช้แรงงานเวลาไปกับการแสวงหาสิ่งเหล่านี้ไม่เฉพาะอาหารเท่านั้นปัจจัยสี่อื่นก็เช่นเดียวกันคือไม่มามุ่งหาความสุขสำราญจากเรื่องของวัตถุนั่นเองตัวเรื่องการกินอาหารนี่จะเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์นะเพราะนั้นท่าก็จับจุดแรกก็คือให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารกินโดยรู้คุณค่าในปัญญาว่าเรากินเพื่ออะไรกินเพื่อ ให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีจะได้ใช้ร่างกายนีด้ดำเนินชีวิตที่ดีงามาเทียบเท่าจะได้อนุเคราะห์แก่พรหมจัณฑ์จะได้มีชีวิตที่ดีงามประเสริฐและจะได้ทำหน้าที่นําธรรมะไปสั่งสอนประชาชนได้นี่คือหลักการที่เรียกว่ามัตตัญญุตาจพะพัฒน์สมิงรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารปันตัญจะเสนาสนังรู้จักอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดเนี่ย ไม่เช่ววุ่นวายออกไปคลุกคลีอยู่ในหมู่ชาวบ้านไม่ไปวุ่นวายแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่รู้จักหาความสงบไม่ปลีกตัวในการพัฒนาจิตใจพระสงฆ์จะต้องให้เวลาแก่การพัฒนาทางด้านจิตใจเมื่อแสวงหาที่สงัดเป็นที่วิเวกแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อการที่จะพัฒนาจิตใจเจริญจิตภสำนาแล้วก็ก้าวไปสู่การทําปัญญาภาวนาด้วย แต่ว่าจุดสําคัญก็คือว่าจะต้องมีที่อยู่ที่เหมาะรู้จักหลีกเล้นนี่เป็นข้อปฏิบัติอันหนึ่งที่สําคัญจะไปทํางานทําการไปสั่งสอนหมู่ประชาชนก็ไปยุ่งกัชชาวบ้านเนี่ยแต่ก็ไม่ละทิ้งการที่จะไปอยู่ในที่สงัดอันนี้ก็เป็นคำเตือนไว้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันพรงเสด็จไปสั่งสอนประชาชนนี่ต้องไปยุ่งเกี่ยวไปวุ่นวายในการที่จะเสด็จไป น, นี่คนโน้นคนนี้ไปโปรดคนโน้นคนนี้เป็นกษัตริย์บ้างเป็นพราหมณ์บ้างเป็นพอ่อค้าเป็นชาวนาเป็นอะไรต่างๆในพระองค์ก็ต้องไปเกี่ยวข้องเรื่อยแต่พระองค์ก็ไม่ละทิ้งความสงับพอได้โอกาสพระองค์ก็เสด็จไปประทับในที่วิเวกหาความสงบเป็นแบบอย่างเพวัะ น, นั้นก็ไม่ให้ทิ้งของนี้อธิจิตเตจะอายโยโคลพอได้ที่สงัดแล้วเมื่อกี้ตมาก็พูดธไปแล้วก็ประกอบในอธิจิตในการฝึกฝนจิตใจ ย, ยิ่งขึ้นไปนี่แหละ ประสานกันพระสงฆ์ทำหน้าที่เผยแพระาศาสนาเป็นผู้ที่นำประชาชนในการพัฒนาในศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าแบบอย่างที่สำคัญของพระก็คือว่าเรื่องทางด้านจิตใจเรื่องคุณธรรมอันนี้พระสงฆ์ก็ควรจะได้ให้เขาเห็นแบบอย่างเลยว่าพระท่านพัฒนาจิตใจมีจิตใจที่ประณีตงดงามดีอย่างไร มีความสุขทาง จ, จิตใจเพึ่งพาสายวัตถุน้อยท่านอยู่ได้อย่างไงมีชีวิตที่เป็นสุขอย่างไงเป็นแบบอย่างกับประชาชนถ้าไม่ปฏิบัติบัติอย่างนี้แล้วคำสอนก็อาจจะได้ผลน้อยถ้าพระสงค์ได้ดำเนินชีวิตตามหลักที่ว่ามาในคาถากึ่งสุดท้ายนี้ก็จะเป็นแนวทางเป็นคติแก่ประชาชนและทำให้ประชาชนนี้ได้มีความหวังแล้วก็ มีความศรัทธาเรื่อมใสในพระสงฆ์ในพุทธศาสนาทําหน้าที่ได้ผลดีต่อไปด้วยอันนี้ก็รวมเป็นสมคาถากึ่งสาตอนอาตอมาก็ทูบโวนอีกทีหนึ่งปราคาถาที่หนึ่งนะั้นแสดงลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนาที่แสดงออกมาทางด้านข้อประพฤติปฏิบัติแล้วก็จุดหมายแล้วก็ลักษณะของพระสงฆ์หรือบรรพชิตส่วนคาถาที่สองนั้นกล่าวถึงหลักคาสอนโดยตรงที่เราเรียกกันว่าหัวใจพระพุทธศาสนา แล้วก็ส่วนที่สซึ่งยาวหน่อยก็เป็นข้อปฏิบัติการดำเนินชีวิตของพระภิณฑษทุที่ทําหน้าที่ในการเผยแพรธรรมะสั่งสอนประชาชนต่อไปมีข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าในพระไตรปิฎกมีพระสูตรชื่อว่ามหาปทานสูตรอยู่ในทีคณิกายในพระสูตรนั้นก็เล่าเรื่องประวัติของพระวิปัสสีพุทธเจ้า ซึ่งพระวิปัสสีพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ไว้ด้วยในที่หมหาสนิบาตก็เลยมีคาถานี้ปรากฏสองแห่งแต่มีข้อแตกต่างกันนิดคือมีการสลับคาถาแห่งหนึ่งนั้นเอาคาถาขันตีประมังตโปตีติขาขึ้นก่อนและคาถาสัพพปาปัสสะการนางเป็นคาถาที่สองส่วนอีกแห่งหนึ่งนั้นกลับเอาคาถาสัพพปาปัสสะกรนางขึ้นก่อนเอาตัวหลักคําสอนขึ้นก่อนแล้วก็ไปแสดงขันตีประมังตโปตีติขา คือลักษณะทั่วไปของพุทธศาสนามาลําดับที่รองอันนี้ก็อย่าไปถือเป็นสําคัญเลยก็ใจความก็ได้เท่ากันนั่นแหละสลับกันไปสลับกันมาอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นสําหรับให้โยมทราบคร่าวๆเกี่ยวกับพระโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันมาคาบุลนมัมีซึ่งวันนี้เราเรียกกันว่าวันมาคาบูชาวันมาคาบูชานะั้นไม่ใช่ศัพท์เดิมในพุทธกาลไม่มีคํานี้ มีแต่คําว่ามาฆปุญนมิท่านั้นเองมาฆปุญนมีประกอบเป็นคําในภาษาบาลีตามวิยากรก็เป็นมาฆปุญนมิยังคือแปลว่าในวันดิถีเป็นที่เต็มดวงแห่งพระจันทร์ในเดือนมาฆที่เราเรียกกันว่าเดือนสามนี้ต่อมาเรากําหนดให้วันมาฆปุญนมีหรือวันเพ็ญเดือนสามนี้เป็นวันสําคัญในพุทธศาสนาประกอบพิธีบูชาขึ้น เราก็เรียกว่าวันมาคบูชาแปลว่าการบูชาในวันในเดือนมาคะทิ้งคําว่าวันเพน็ญไว้ในฐานเข้าใจการบูชาในเดือนมาคะก็หมายถึงการบูชาในวันเพน็ญเดือนมาคานั่นเองวันมาคาบูชานี้เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สี่นี่เองคือในหลวงรัชกาลที่สี่ก็ทรงศึกษาพระคัำพีศึกษาพระใจบิดดกมากทรงพบเห็นเหตุการณ์อันนี้ก็เห็นว่าเอ๊ะเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญนี้น่าจะมากําหนด เป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาโดยก็สึงโปรดให้จัดมีพิธีบูชาขึ้นมาสมัยก่อ น, นในในเมืองไทยเราก็มีวันวิสาขาบูชาเท่านั้นเองเป็นวันสำคัญในสมัยสุขโขทัยนั้นจำไม่แม่นแต่ว่าดูเหมือนจะมีการฉลองมีการบูชากันถึงสวันหรือเจวันแล้วเนี่ยแต่มาต้องไปดูอีกทีหนึ่งโยมสนใจก็ไปดูเองได้แต่ว่าทากันจริงจังใหญ่โตมาก แล้วก็ต่อมาวันวิสาขบูชาเองประเพณีก็เลือนลางลงไปจนกระทั่งมาถึงสมัยดุ่จะประมาณรัชกาลที่สองก็มีการฟื้นฟูเป็นการใหญ่อีกโดยจะสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งเนะี่ยก็เป็นผู้ที่เป็นประมุขพระสงฆ์และในหลวงโปรดว่าอยากจะให้มีพิธีวิสาขบูชาเป็นการใหญ่อีกหรือฟื้ น, ในใคล้ายๆว่าประเพณีเสื่อมถอยไปปลายยุทธยาหรือเป็นเพราะว่า อยุธยากรุงแตกไปแล้วก็เลยการพิธีในพุทธศาสนาก็เลยค่อยๆเลื่อนลางลงไปพอมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ในหลวงก็ทรงยุ่งกับเรื่องการรบราการที่จะป้องกันค่าศึกการป้องกันบ้านเมืองพอปรับปรุงประเทศชาติได้ลมเย็นเป็นสุขมาถึงสมัยการที่สองในบ้านเมืองมั่นคงแล้วก็หันมาเอาใจใส่ในเรื่องของสันติเรื่องความสงบเรื่องงานในยามที่บ้านเมืองดี ก็เลยฟื้นฟูพระศาสนาก็ฟื้นฟูพิธีวิสาขาบูชาด้วยให้มีถึงสามวันนั่นก็เป็นการใหญ่แล้วต่อมาเราก็เลือนลางเราไปอีกจนจนทางวิสาขาบูชาก็เหลือวันเดียวอย่างในประเทศศรีลังกานี่ยเขาให้ความสําคัญกับวิสาขาบูชามากมีพิธนะีใหญ่โตมากใครเคยไปไม่ทราบเปกี่วันนะอย่างน้อยก็สามวันแหละที่ประเทศศรีลังกาหนึงน่งเดือนหนึ่งเดือนนะฮะทางหลังท่านบอกว่าทำตั้งหนึ่งเดือนนะ วิสาขาบูชานี่ใหญ่โตมากนี่เมืองไทยเราเดิมก็แปลว่ามีวันวินวสาขาบูชาเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาที่สําคัญในแง่ที่เกี่ยวกับพุาาทธประวัติวันเดียวนอกนั้นก็มีแต่วันที่เกี่ยวกับวินัยคือการเข้าพรรษาออกพรรษาเป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องเป็นไปตามคติความเป็นอยู่ของประสงค์กฐินอะไรพวกนี้นี่พอมารัชกาลที่4ี่ก็โปรดให้มีพิธีมาขาบูชาเพิ่มขึ้นแล้วก็มาถึงพศ2 5งพ็ด เมื่อฉลองยี่สิบห้าพุทธศตวรรษเสร็จแล้วนี่ทางคณะสงฆ์ก็เลยได้เห็นว่าวันแสดงธรรมจักกับวัธนสูตรปฐมเทศนานี่ก็เป็นวันที่สำคัญมากน่าจะได้กำหนดเป็นพิธีบูชาใหญ่ทางราชการก็เลยตกลงเห็นชอบกับคณะสงฆ์ประกาศให้มีวันสำคัญทางพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นมาอีกวันหนึ่งคือวันอาสาลาบูชาวันอาสาลาบูชานี่ล่าสุดเพิ่งมีเมื่อพศสอ้ารอยเอด หลวงพาร้อยหนึ่งนี่เองนี่ก็อาตมาก็เลยพลอยเล่าไปถึงวันสําคัญของพุทธศาสนาในประเทศไทยโยมรู้อย่างนี้แล้วจะได้ไม่แปลกใจว่าในกิจการพุทธศาสนาระหว่างประเทศนั้นเป็นที่รู้จักกันก็เฉพาะวันวิสาขาบูชาเท่านั้นวันอื่นๆมาขับบูชาอาสาฬบูชาประเทศอื่นเขาไม่รู้ด้วยอันนี้ก็วันนี้เรามาถึงใกล้มาขาบูชาที่จะมาถึงวันพรุ่งนี้แต่มาถึงก็งเลยรู้วันเราก็เลย มาทำพิธีมาขาบูชาเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สําคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระโอวาทปาติโมกในที่ประชุมจาตุรงค์กันสนิบาทอาตมาก็ได้กล่าวไปแล้วว่าโอวาทปาติโมกมีความหมายอย่างไรแล้วก็มีใจความคําสอนโดยดย่อในตัวแท้แทเนะี่ยว่าอย่างไรในสามส่วนนี้ได้บอกไว้แล้วว่าส่วนที่ชาวพุทธจักกันดีที่สุดก็คือคาถาสั้นๆ ว่าสรรพาปาปัสะัาการณังกุสลสูปสัสปัฏานสจิตตปริโยธาปนังเอตังพุทธานาสาสนังตนครั้งหนึ่งว่าการไม่ทําชั่วทั้งปวงหรือการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลหรือความดีให้ถึงพร้อมการทําจิตใจให้บริสุทธิ์่องใสนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันนี้เรามักจะเรียกกันว่าหัวใจพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าหัวใจพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็นมาในบอกไว้หรอ เราก็มาเรียกกันเองอะในยุคหลังทีนี้ตอนหลังชาวพุทธก็ชักมาเถียงกันเอออันไหนจะเป็นหัวใจพระพุทธศาสานากันแน่นะก็เลยบางท่านก็บอกก็อริยสัจ ส, สีส่สิบางท่านก็บอกว่าเออต้องพุทธพจน์ที่บอกว่าสัพเพ ธ, ธรรมานาลังภพินิเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรแค่การยึดมั่นนะหรือว่าทำทั้งปวงไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นได้บางท่านก็เอาส่วนอื่นๆมาอีก เหรืออย่างมีอีกพุทธพจน์หนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้บอกว่าทั้งในการก่อนและบัตดนี้เราสอนเพียงอย่างเดียวคือทุกข์และความดับทุกข์บางท่านก็เลยเอาพุทธพจน์นี้มาบอกนี่แหละหัวใจพุทธศาสนานีชาวพุทธบางทีก็เลยไปเถียงกันอาตมาก็เลยขอโอกาสชี้แจงด้วยอย่ามวัวไปเถียงกันเลยนีเพราะว่าคําพูดหัวใจพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้เดิม เราก็เลยมากําหนดกันขึ้นแต่ว่าให้สังเกตว่าในพุทธพจน์นี้มีคําอยู่สรุปท้ายว่าเอต่างพุทธานาสาสนันี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคล้ายว่าเป็นคําสรุปของพระพุทธเจ้าเองวันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งพระองค์และพระพุทธเจ้าอื่นด้วยนักการที่จะบอกว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าเราจะไปยึดมั่นว่าต้องคาถานี้เท่านั้นเป็นหัวใจพุทธศาสนาก็จะยุ่งก็จะเถียงกัน ถ้าวิเคราะห์ออกไปแล้วคาถานี้ที่ว่าไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเป็นหัวใจพุทธศาสนาสส<ม>ก็เป็นการสรุปคำสอนภาคปฏิบัติเป็นหัวใจได้เป็นหัวใจภาคปฏิบัติคือเป็นเรื่องของการลงมือกระทำไงไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์แต่คำสอนของพรพุทธเจ้านี่ถ้าเราจะมองให้ครบจริงๆเนี่ยมันมีทั้งภาคที่เป็นตัวองค์ความรู้ด้วย ถ้าเรียกภาษาสมัยนี้ก็เรียกว่าภาคทฤษฎีด้วยกับภาคปฏิบัติด้วยจึงจะครบแต่ก็ไม่อยากใช้คำาทฤษฎีเพราะคำาทฤษฎีนี่เป็นศัพท์สมัยใหม่มีความหมายของเขาอีกแบบหนึ่งเราอย่าไปยุ่งเลยอันนี้ก็คําสอนของพระพุทธเจ้านีนไม่ได้มีเฉพาะภาคปฏิบัติลงมือทําอย่างเดียวถ้าเราไปดูคําสอนที่กว้างออกไปก็จะเห็นหลักที่เราเรียกว่าอริยสัจสี่อริยสัจสี่นะั้มีทุกสมุทัยนิโรธมรร ทกุก็เป็นเรื่องไม่ใช่ข้อปฏิบัติท่านบอกว่าทุกนั้นเป็นสิ่งที่ต้องรู้หรือรู้จักแล้วก็สมุทัยก็เป็นสิ่งที่ต้องละก็ไม่ใช่ปฏิบัติอีกเลยนิโรธก็เป็นสิ่งที่ต้องเข้าถึงก็ไม่ใช่ตัวการปฏิบัติมรรคเป็นข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติมาอยู่ในอริยสัจข้อสุดท้ายคือข้อที่สี่แล้วพอไปถึงอัตถกถาท่านจะโยงให้เสร็จเลยว่า การไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั้นก็คือสีสมาธิปัญญาพอเป็นสีสมาธิปัญญาแล้วศีสมาธิปัญญาอยู่ที่ไหนเอามักมีองคศาสรุปแล้วเป็นศีสมาธิปัญญาตกลงว่าคาถานี้สรรพตาปสสะกันนังไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์เนี่ยก็อยู่ในข้อมักนั่นเองคือสีสมาธิปัญญานั้นหลักนี้จึงเล็กกว่าหลักอริยสัจเพราะไปอยู่แค่ในข้อที่สี่ คืออนิจสตร์นั้รรครุมหมดมีข้อปฏิบัติพร้อมอยู่ด้วยได้แก่ข้อที่สี่มักมีองค์แปดประการสรุปมักมีองค์แปดเหลือสามได้แกสสญญ่สีสมาธิปัญญาศีสมาธิปัญญาพูดภาษาชาวบ้านให้ง่ายและบอกว่าไม่ทําชั่วทําดีทําใจให้่งสัยนี้แหละคือการแปลสีสมาธิปัญญาอย่างง่ายเพราะฉะนั้นวันมาครับุตรชานี่พูดในแง่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักคําสอนให้ง่ายๆเอาสีสมาธิปัญญามาตรัดในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเอง ที่นโยมก็เห็นตําแหน่งละนี่ถ้าเห็นตําแหน่งคําสอนมาโยงกันได้ละเลิกเถียงกันเลยไม่ต้องมาเถียงกันในยุ่งรู้ว่าไหนอยู่ที่ไหนแล้วพระพุทธเจ้าก็จัดอย่างในพระสูตรหลายสูตรก็จะจัดลําดับการตรัสรูปของพระองค์พอจัดไปจัดมาพอได้ฌานสี่แล้วจิตเป็นสมาธิเป็นกรรมนิยังพร้อมจะทํางานพระองค์ก็โน้มจิตไปเพื่อรู้อริยสัจก็ได้จัดสรุปอริยสัจการจัดสรู้อริยสัจก็ ทำให้ในหลวงราชกาลที่หกทรงพระราชดิพนหนังสือคือเล่มหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรนะถ้าคําตอบก็คือตรัสรู้อริยสัตถ์สซึ่งเอามาจากพุทธพจน์เองเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริสัตถ์อ้าวก็แสดงว่าอริยสัตถ์เป็นหัวใจพุทธศาสนาใช่ไหมเพราะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จะมาโยงกันเข้ากันเรื่องการไม่ทําชั่วทำดีทําใจให้สงสัยหลักการนี้ก็อยู่ในข้อมรักเพราะฉะนั้นอริยรรสัตถ์สี่ก็คลุมหมด อันนี้ว่าไปถึงที่บอกว่าทั้งในการก่อนและบัดนี้เราสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ทุกข์และความดับทุกข์อยู่ที่ไหนล่ะทุกข์ก็อยู่ในญริยสัตว์นั่นแหละทุกข์และกําหนดแห่งทุกข์หรือทุกข์และเหตุเกิดแห่งทุกข์ทุกข์และสุกัสสุภทัยเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าจัดสั้นๆเนี่ยจัดไว้ข้อเดียวกันคือข้อว่าได้ทุกทุกข์และเหตุแห่งทุกข์จัดเข้าเป็นข้อหนึ่งแล้วก็การดับทุกข์ก็หมายถึงนิโรธและมรรควาดิกันเสร็จ นะเพราะฉะนั้นอ น, นุญัตสีสส่ก็เลยว่าเป็นสองชุดหรือเป็นสองตอนเป็นสองอย่างสองหัวข้อใหญ่นี่ก็เป็นวิธียอดต่างๆและสพเพธมานารังกพิณเวสายะละ่ะอันนั้นก็เป็นการจัดแสดงความจริงของสิ่งทั้งหลายอย่างหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจเข้าไปยึดมั่นถีมันได้นะเป็นการแสดงสภาวะของสิ่งทั้งหลายที่เป็นทุกข์นะแล้วก็โยงมาสู่การปฏิบัติที่ว่า เมื่อสิ่งทั้งหลายไม่อาจจะถือมั่นได้เราก็ไม่ต้องถือมั่นมันนะก็เลยโยงระหว่างตัวสภาวะที่เป็นทุกข์กับข้อปฏิบัติที่เรียกว่ามรรคเด็กกันน่าจะพูดอันไหนคําสอนในพระพุทธศาสนานี้ถ้าพูดถูกและโยงกันหมดเลยโยงไม่ต้องเป็นห่วงใครจะมาบอกว่าไม่ทําชั่วทำดีทําใจให้ผ่องสใยเป็นหัวใจพระพุทธศาสนานโยมไม่ต้องไปเถียงเถียงก็เสียเวลาเราก็บอกถูกถูกไม่ผิดแต่เรารู้ในใจเราโยงได้หมดแล้ว เขาบอกว่าอริยสัจสีก็ถูกอีกแหละนะยังตอบได้อีกนะเลยพอนเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์จะเสด็จไปสั่งสอนทรงปรารภว่าเอคําสอนของพระองค์นี่ยากคนที่จะรู้ตามนี่ลําบากมากจะมีน้อยตอนนั้นคําที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้ซึ่งคนอื่นจะรู้ตามได้ยากนี้ได้แก่อะไรพระองค์ตรัสไว้เลยนะเหมือนกันพระองค์ตรัสบอกว่าได้แก่ อิทับปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทและนิพพานสองเหมือนกันนะเลก่อลอิทับปั จ, จยตาปฏิจจสมุปบาทก็คือทุกข์และทุกข์กับสมุทยัยนิพพานก็คือนิโรธแล้วก็รวมเอาหรือเล็งเอามักเข้าไปด้วยเพราะเป็นข้อปฏิบัติจะให้ถึงจะแต่ว่าทรงเอาเฉพาะสภาวัฒนะนั้นเวลาตัดคำสอนของพุทธศาสนาสาระสาคัญอย่าง ที่เรียกว่าเอาเฉพาะหลักการแท้แท้นี่นะคืออิทัิปัจจยตาสติจจสุบตัตและนิพพานนี่แหละตัวจริงเลยนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองแต่พรอมาสแสดงแบบสําหรับชาวบ้านจะเข้าใจในเชิงปฏิบัติมาสแสดงเป็นอริย ส, สัจสี่คือพระพุทธเจ้าตรัสปรารบ ก, กับพระองค์เองพระองค์ตรัสว่าอิทัิปัจจยตาปฏิจจสมบัติและนิพพานนี่เอาแต่ตัวเนื้อหาสาระแก่นสารเลยไม่ต้องกลัวว่าใครจะเข้าใจหรือไม่ แต่เวลามาแสดงแก่ประชาชนแล้วต้องแสดงในรูปอริยสัจก็คือเอาอิทธิปัจยตาปฏิจจสมุปบาทและนิพพานนั่นแหละมาแสดงในรูปที่จะสื่อกับประชาชนได้เรียกว่าเป็นอริยสัจสี่ประการจึงถือว่าอริยสัจนั้นคือสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงในรูปลักษณะที่จะให้คนทั้งหลายเขารู้เข้าใจและนําไปประพฤติปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นอริยสัจจึงเป็นวิธีสอนของพระพุทธเจ้าไปด้วย วิธีสอนต่างๆที่จะได้ผลดีเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้แต่ยุคปัจจุบันก็ต้องใช้หลักอริยสัจสี่แม้แต่พวกที่เป็นนักปลูกระดมก็ต้องใช้วิธีอริยสัจสข่ก็ขอนอกเรื่องสนิดหนึ่งใช้ยังไงวิธีปลูกระดมปลูกระดมต้องใช้วิธีแบบอริยสัจสี่หนึ่งจะต้องแถลงก่อนว่าเดี๋ยวนี้อะไรต่ออะไรมันเสียหายไรแรงเล็วซามยังไงเช่นจะบอกว่าจะปฏิวัติสังคมเนี่ยนะ ก็ต้องพูดขึ้นมาก่อนขนาดนี้สังคมมันเลวร้ายมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้พูดไปพูดจนกระทั่งโอโหคนว่าเห็นว่าสังคมนี้ไม่ไหวแล้วนะพอว่าพูดจนกระทั่งเห็นด้วยไม่ไหวจริงๆเลวเต็มทีแล้วจะต้องคิดแก้ไขนี่ นักปลูกระดงก็ต้องพูดต่อไปว่าอา้าททำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ละ่ะตัวการอะไรเอาแล้วทีนี้ชี้ตัวการนันนี้นะตัวการอยู่ที่นั่นพวกนั้นพวกนี้อันนั้นอันนี้เป็นตัวการนี่แหละตัวเหตุแหละพอชี้ตัวการแล้วคนเอาแล้วพร้อมที่จะปฏิวัติเลยนะทีนี้พอชี้ตัวการเสร็จทีนี้ทำไงก็บอกจุดหมายเลยบอกว่านี่ถ้าเราแก้ไขเสร็จแล้วเนี่ยมันจะดียางงั้นอย่างนี้เลยใช่ม บอกสภาพที่เป็นจุดหมายว่าจะดีเลิศประเสริฐอย่างไรจนกระทั่งคนกระหายอยากจะเข้าถึงจุดหมายอันนั้นถึงขั้นนี้แล้วคนพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติการทุกอย่างนะเพราะว่าจุดหมายที่ดีงามก็อยากจะไปเต็มทีนะจะไปได้ก็ต้องกำจัดไอเจ้าตัวร้ายทั้งหลายนี่ที่เป็นเหตุแล้วจะแก้ปัญหาต่างๆความทุกข์ความเดือดร้อนจะหมดไปพอพร้อมอย่างนี้แล้วก็บอกวิธีปฏิบัติ พอบอกวิธีปฏิบัติให้ลงมือทําจะทําอะไรทําได้เท่านั้นแหะตอนนี้จะยากจะเย็นจะซับซ้อนอยังไงเอาทุกอย่างเลยนี่แหละวิธีสอนแบบอริยสัจนี่ใช้ได้สองพันหรอกว่าปีมาจนบัดนี้ไม่มีรัชสมัยและใครทุกพวกไม่ว่าจะฝ่ายดีฝ่ายร้ายต้องใช้มีแต่ว่าจะใช้ทางดีหรือทางร้ายเท่านั้นเองนั้นเดี๋ยวนี้ในวงการการศึกษาก็ยอมรับมากเรื่องวิธีสอนแบบอริยสัจคือเป็นต้นแบบของวิธีสอนทุกอย่าง พระพุทธเจ้าทรงเอาสัจธรรมเนี่ยมาแสดงแก่มนุษย์ในรูปที่เรียกว่าอริยสัจสี่แต่ที่จริงสาระสําคัญที่พระองค์ต้องการก็คือเรื่องอิทธิปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทและนิพพานนี่เองพอมาสื่อประชาชนใช้อริยสัจนี่เป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติได้เป็นวิธีสอนในวงการการศึกษาเขาก็ต้องถือหลักการเนี้ยการสอนนั้นต้องเริ่มจากสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยากจึงเริ่มได้ปัญหา ทั้งท้าที่อริยสัจนั้นมันสวนย้อนผลมาหาเหตุธรรมดาว่าสิ่งทั้งหลายเหตุก่อนเหตุเกิดก่อนแล้วจึงผลแต่ในอริยสัจนี้ผลมาก่อนแล้วจึงเหตุทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุหนึ่งคู่และคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองนิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุผลมาก่อนเหตุสองชุดเลยพระพุทธเจ้าตัดต้องมีเหตุผลในการตัดอย่างนี้นี่แหละเพราะอย่างเนี้ยอยู่ๆพระพุทธเจ้าจะไปแสดงเหตุ ข, ของทุกก่อน ไม่มีใครฟังเลยก่อ น, นไปอยู่ๆก็ไปถึงก็พูดเหตุของทุกนะเราไม่พูดถึงตัวทุกข์พูดได้ยังไงก็ต้องพูดถึงปัญหาถึงตัวความทุกข์สภาพที่ปรากฏปรากฏการที่มองเห็นซะก่อนพอไปพูดถึงเรื่องของเขาว่าโอ้มีปัญหาอย่างนี้มีทุกอย่างนี้นะก็เกี่ยวข้องกับชีวิตเขาพอเขาสนใจแล้วอ้าวคุณจะแก้ไขคุณต้องหาเหตุกําจัดเหตุมันนะทีนี้ก็มาพูดถึงเหตุ ข, ของมันกัน นี่แหละคือการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งมีความประเสริฐในลักษณะต่างๆความเป็นพระศาสดานอกจากจะตรัสรู้ธรรมะความจริงแล้วจะต้องสามารถในวิธีการสั่งสอนด้วยอันนี้เลยคือความสำเร็จของพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่จึงเรียกว่าเป็นสมมาสมุทะถ้าตรัสรู้แต่ธรรมะที่เป็นสัจธรรมอย่างเดียวก็ได้แค่เป็นพระปฏิเจกพะพุทธเจ้าแต่พอสามารถในการสั่งสอนด้วยจึงเป็นสมมาสัมพุทะ อริยสัจสี่นี้ก็เป็นหลักธรรมที่ประกาศความเป็นพระบรมศาสดาที่ได้ทั้งศัจธรรมและวิธีการทรงสั่งสอนด้วยอาตมาก็พูดออกไปนอกเรื่องเรื่อยนีทีนี้ก็ขอย้อนกลับเข้ามาว่านี่คือเรื่องอริยสัจเพป็นนั้นว่าหัวใจพระพุทธศาสนาโยมจะพูดอย่างไรก็พูดไปเถอะโยมกันได้ทั้งหมดขอให้เข้าใจสัอย่างเดียวถ้าโยมมีความเข้าใจนี้ไปฐานแล้วจะพูดยังไงก็ได้แล้วแต่สถานการณ์ ถ้าเราไปพูดกับคนที่เขายังไม่สามารถเข้าใจลึกซึ้งเราก็เอาแงๆ่ๆภาคปฏิบัติหัวใจพุทธศาสนานนะไม่ทํำช่วทําดีทําใจให้ผ่งใสอะไรงี้ก็แปลว่าแค่นี้ก็พอแล้วพอเขาเห็นด้วยจะปฏิบัติแล้วทีนี้เราค่อยให้ภาคตัวหลักคําสอนว่าด้วยศัตรูธรรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปตามลําดับคราวนี้ก็ขอย้อนกลับเข้ามาเรื่องคาถาอวปาริโมกอีกครั้งหนึ่ง ก็จะพูดเฉพาะคาถาที่รู้จักกันทั่วไปที่ว่าไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสซึ่งบอกแล้วว่าอยู่ในอริยสัจข้อที่4ี่คือข้อมักเป็นรูปแบบที่ง่ายสำหรับศีลสมาธิปัญญานีนก็ขอตั้งข้อสังเกตแถมเข้าไปอีกนิดหนึ่งเวลาเราแปลบางทีเราก็แปลว่าละชั่วแล้วก็ทำดีทำใจให้ผ่องใสก็มีพูดเถียงเถียงสองอย่าง วันละชั่วแสดงว่าท่านมีชั่วยอยู่แล้วท่านจึงละนั่นก็อ้าวก็อีกแหละถ้าอย่างนั้นคาแปลนี้ไม่สมบูรณ์ถ้าเรายังไม่ทําก็อย่าไปทําเลยต้องรอไปทําแล้วมันละนี่ไม่เอาะอะนีแล้วอะไรบอกว่าไม่ทําชั่วแล้วพอดีประการที่สองก็คือตัวบาลีเองเนี่ยไม่ได้แปลวันละนะบาลีสรรพาปาประศักขารนังอักขารนังแปลว่าการไม่กระทําไม่ได้แปลวันละไม่ใช่ว่ามีแล้วไปละนะ เพราะฉะนั้นคำแปลที่ตรงที่สุดก็แปลว่าไม่กระทําความชั่วหรือไม่ทําชั่วแล้วก็ทําดีให้ถึงพร้อมทําใจให้ผ่องใสนี้ข้อสังเกตในคําสอนสามอย่างนี้แหมมีมากมายเหลือเกินแต่ว่าที่เป็นยอมเป็นที่ยอมรับอย่างหนึ่งก็คือคําสอนในพุทธศาสนาภาคปฏิบัติแค่นี้ก็มีความสมบูรณ์มากในศาสนาต่างๆนี่จะไม่มี ศาสนาทั่วไปจะมีละชั่วหรือไม่ทำชั่วแล้วก็ทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี่มักจะไม่ถึงในการทำใจให้ผ่องใสนี่ผ่องใสบริสุทธิ์บริสุทธิ์ผ่องใสที่จะสมบูรณ์นั้นก็คือผ่องใสบริสุทธิ์จากกิเลส ท, ทั้งหลายทั้งปวงคำว่ากิเลส ท, ทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่ทำให้จิตใจเศมองนั้นตัวรากเหง้าที่สุดก็คือโมหะ แล้วไปถึงอวิชชาความไม่รู้นั้นที่ว่าทําใจให้บริสุทธิ์เนี่บริสุทธิ์จนกระทั่งถึงหมดหลุดพ้นจากโมหะนะไม่ใช่แค่โลภโทสะเท่านั้น<ม>เดี๋ยวจะว่าใจบริสุทธิ์เอ่ยก็น่าจะมีได้โทษไปทําใจให้ผ่องใสอ่ะผ่องใสก็คล้ายๆว่าใจดีสบายอย่างคนที่มีเมตตากรุณาก็น่าจะใจผ่องใสแต่ว่าในพุทธศาสนานั้น ใจผ่องใสเนี่ยจะต้องถึงหมดอวิชชาความไม่รู้ด้วยดั น, นั้นการที่ผ่องใสทั่วทั่วไปอย่างใจดีมีเมตตาอะไรแต่อะไรยังไม่พอหรอกนั้นถ้าหากว่ามีแค่ใจผ่องใสได้เมตตากรุณาศาสนาอื่นก็มีอันนี้จึงต้องมาทำความเข้าใจกันวันนี้อาตมาก็เลยอยากจะมาพูดเจาะเฉพาะตอนนี้นิดหน่อยคือที่บอกว่าไม่ทำชั่วทําดีทำใจให้ผ่องใส พ้าว่าในแง่รูปหยาบพระพุทธเจ้าก็แสดงจากหยาบมาหาละเอียดก็คือหนึ่งไม่ทําชั่วนี่หยาบที่สุดพอไม่ทําชั่วแล้วก็สองก็ประนีตขึ้นมาก็ทําความดีให้ถึงพร้อมพอเราไม่ทําชั่วจะต่อไปนี้ก็ตั้งใจทําความดีให้สมบูรณ์ทําทุกอย่างมีดีอะไรให้ทําก็ทําทํากุศลแล้วพอทําความดีแล้วก็ประณีตขึ้นแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องทําใจให้บริสุทธิ์หมดจดอีกชั้นหนึ่ง นี่ว่าโดยลำดับก็เรียกว่าจกากหยาบไปหาละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าจึงเทียบ่าเป็นศีลสมาธิปัญญาไม่ทำชั่วก็อยู่ระดับศีลทำดีให้ถึงพร้อมก็อยู่ระดับจิตใจที่เรียกว่าสมาธิแล้วก็ทำใจให้ผ่องใสก็ต้องถึงปัญญาเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องทำใจให้บริสุทธิ์จากโมหะ ด, ด้วยนี่โมหะจะหมดไปก็ต้องมีปัญญาจึงต้องถึงขั้นปัญญา ในคําสอนที่มีความสมบูรณ์อย่างนี้เรามาดูมีข้อสังเกตก็คือว่าคนทําความดีแล้วเนี่ยยังไม่สมบูรณ์หรอกถ้าตราบใจยังไม่ชมําระใจให้ผ่องใสมองในแง่หนึ่งก็คือเราเทียบเป็นเรื่องคณิตศาสต ร, ร์หนึ่งไม่ทําชั่วก็เป็นลบความชั่วนี่เป็นเรื่องที่ลบอยู่แล้วในตัวเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็ไปลบ เจ้าตัวลบนั้นก็ลบก็กลายเป็นบวกนะลบลบกลายเป็นบวกอันนี้คือไม่ทำชั่วทีนี้สองทำความดีให้ถึงพร้อมนี่บวกบวกบวกบวกให้มากขึ้นไปนะตัวบวกนี่บวกต่อไปเพิ่มเพราะตอนนี้เราเพิ่มแล้วเพิ่มพูนความดีให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปแล้วพอถึงตัวที่สามตัวนั้นเป็นความว่างเลยนะไม่บวกไม่ลบแล้วนะ ถ้าบวกอยู่ก็ยังไม่สมบูรณ์นะก็บวกกันเรื่อยไปแล้วบวกบางทีมีปัญหาเหมือนกันเดี๋ยวจะมาจะพูดให้ฟังถ้าบวกมากนักบางทีมันเสียดุลพอเสียดุลแล้วเกิดความยุ่งยากนะเพราะฉะนั้นการทําความดีนี่ต้องระวังเหมือนกันหลักพระพุทธศาสนานี้ต้องมองหลายชั้นหลายเชิงหลายแง่หลาย ม, มุมการทําความดี ทำมากเกินไปแล้วเสียดุลก็เสียทำความดีทาไม่ถูกที่ถูกทางก็เสียได้นะทาความดีนะ่ะาเรียกว่าไม่เป็นธรรมานุธรรมาปฏิบัติก็มีต่ว่าปฏิบัติทาไม่ถูกหลักโบราณเรียกว่าปฏิบัติทำสมควรกับทำแล้วทำเราไม่ได้ตามนั้นก็เสียอีก อั น, นั้นปฏิบัติธรรมนี่แม้แต่ทาความดีก็ต้องระวังเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความดีหรือกุศลนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลได้ด้วยนะอกุศลก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลได้เหมือนกันอันนั้นความดีเป็นปัจจัยให้เกิดความชั่วได้ความชั่วเป็นปัจจัยให้เกิดความดีได้นิยมต้องระวังเหมือนกันนะวันนี้อาตมาก็จะยกตัวอย่างให้ง่ายที่สุดข้อหนึ่งในเรื่องนี้เพื่อจะให้เห็นความสมบูรณ์ในการ แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าพอดีว่าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาเขาปีนี้นะไปตรงกับวันวาเลนไทน์เขาวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ทีนี้คนไทยเราปัจจุบันก็นิยมวันวาเลนไทน์มากโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเยาวชนเนี่ยเดี๋ยวนี้ให้ความสนใจแก่วันวาเลนไทน์มากกว่าวันมาฆบูชา เมื่อสองทศปีก่อนอาตมาเคยได้ยินว่าโรงเรียนฝึกหัดครูหรือวิทยาลัยครูแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดไม่ยอมจัดกิจกรรมในวันมาฆบูชาแต่ให้จัดในวันวาเลนไทน์นี่แสดงถึงอิทธิพลวัฒนธรรมตอนตกว่าเข้ามาครอบงำสังคมไทยแค่ไหนอันนี้พอดีปีนี้น่ะวันมาฆบูชากับวันวาเลนไทน์ตรงกันเราก็เอาเรื่องนี้มาโยงเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา เรื่องวาเลนไทน์นั้นเขาบอกว่าเป็นวันแห่งความรักแต่ความรักในวันวาเลนไทน์นี้มีปัญหาไม่รู้ความหมายว่าอย่างไงกันแนะ่ก็สักแต่ว่าเอาแล้เป็นวันแห่งความรักก็มีการแสดงมีการส่งสัญญาณแห่งความรักมีการให้ดอกไม้สีแดงอะไรต่างๆโดยที่ว่าผู้ที่ให้ผู้ที่แสดงนั้นก็ไม่ได้รู้เข้าใจความหมายของความรักเท่าไหร่แล้วความรักนั้นมีประโยชน์มีโทษกับชีวิตยอย่างไร ก่อนที่จะปฏิบัติมันน่าจะมีความเข้าใจให้ดีแล้ววันวาเลนไทน์ถ้าจะมีคุณค่ามีประโยชน์น่าจะช่วยให้คนมีความเข้าใจในเรื่องความรักไหนๆจะเป็นวันแห่งความรักก็คนก็ควรจะมีความเข้าใจเก่ับความรักสอนให้คนปฏิบัติในเรื่องความรักให้ถูกต้องแต่เท่าที่มองเห็นแล้ววันวาเลนไทน์ไม่ได้ช่วยอะไรเรื่องนี้เลยไม่ได้ทําให้คนมีความประณีตขั้นในเรื่องความรักดีไม่ดีจะหลงกันไปกันใหญ่อ้าวเรามาดู ในหลักพุทธศาสนาความรักนี้มาโยงเข้าหาหลักเรื่องไม่ทำชั่วทำดีแล้วทำใจให้ผ่งใสดูซิจะได้เป็นยังไงความรักถ้าจะแยกตามหลักพุทธศาสนาเราก็แบ่งง่ายๆก่อนว่าความรักมีสองแบบความรักแบบที่หนึ่งคือความชอบใจในสิ่งที่จะเอามา บำรุงบำเรอความสุขของเราชอบใจสิ่งนั้นเพราะว่าจะมาสนองความต้องการบำรุงบำเรอความสุขทำให้เรามีความสุขได้อันนี้ความรักแบบหนึ่งก็มีมากทีเดียวอะไรที่จะทำให้เรามีความสุขเราชอบใจเราต้องการมันนี่คือความรักแล้วทีนี้เพื่อจะให้เห็นความแตกต่างก็ขอพูดถึงความรักแบบที่2ความรักแบบที่สองก็คือ ความต้องการให้คนอื่นมีความสุขความปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขเรียกว่าความรักเหมือนกันสองอย่างนี้แทบจะตรงข้ามเลยอันที่หนึ่งชอบใจเพราะว่าจะเอาเขามาบาลืงความสุขของเราแต่อย่างที่สองบอกว่าอยากให้เขาเป็นสุขในความรักมีสองแบบอันนี้เห็นได้ในชีวิตประจำวันก็ขอพูดอีกทีหนึ่งเพราะว่าตัวนอย่างนี้ยกบ่อย สำหรับความรักที่เด็กหนุ่มสาวพูดกันมากก็คือความรักแบบที่ว่าชอบใจที่จะได้เขามาสนองความต้องการของตนทำให้ตนมีความสุขแต่ว่าในครอบครัวเนี่ยมันจะมีความรักอีกแบบหนึ่งให้เห็นก็คือความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกความรักของพ่อแม่ต่อลูกคือความอยากให้ลูกเป็นสุขอันนี้เราเรียกว่าความรักเหมือนกัน นั่นตอนแรกนี่จะต้องแยกระหว่างความรักสองแบบนี้ซะก่อนนะความรักชอบใจที่จะได้คนอื่นมาบำเรอความสุขของเรานี้ทางพระธนบาร า, ราคะนะส่วนความรักที่อยากให้คนอื่นเป็นสุขนั้นเ่าเรียกว่าเมตตาอันนะี้แยกให้เห็นเลยความรักสองแบบไม่เหมือนกันแล้วอะไรจะตามมาจากความรักสองแบบนี้ ความรักสองแบบนี้มีลักษณะต่างกันแล้วมีผลต่างกันด้วยถ้ามีความรักแบบที่หนึ่งก็ต้องการได้ต้องการเอาเอามาเพื่อตอนเองเมื่อทุกคนต่างคนต่างอยากได้มีความรักประเภทนี้มันก็จะนํามาซึ่งปัญหาก็คือความเบียดเบียนแย่งชิงซึ่งกันและกันนะก็คือความเห็นแก่ตัวทีนี้ความรักแบบที่สองอยากให้คนอื่นเป็นสุข เมื่ออยากให้คนอื่นเป็นสุขก็จะพยายามทำให้เขาเป็นสุขเหมือนพ่อแม่รักลูกก็จะพยายามทำให้ลูกเป็นสุขแล้วเมื่อทำให้เขาเป็นสุขได้ตัวเองก็จึงจะเป็นสุขความรักของพ่อแม่คืออยากทำให้ลูกเป็นสุขและมีความสุขเมื่อเห็นลูกเป็นสุขแต่ความรักประเภทที่หนึ่งนั้นต้องได้ต้องได้จึงจะเป็นสุข ซึ่งเป็นกระแสกิลเลสของผู้ทุชนเป็นธรรมดามนุษย์อยู่ในโลกนี้ผุ้ทุชนก็ต้องการได้ต้องการเอาเมื่อได้เมื่อเอาแล้วก็มีความสุขแต่ถ้าต้องให้ต้องเสียก็เป็นทุกข์ในวิถีของผู้ทุชนนี่จะทําให้ไม่สามารถพัฒนาในเรื่องคุณธรรมเพราะว่าถ้าการให้เป็นทุกข์ซะแล้นี่คุณธรรมมาไม่ได้มนุษย์จะต้องเบียดเบียนกันแก้ปัญหาสังคมไม่ได้แต่เมื่อไรถ้าหากว่าเราสามารถ มีความสุขจากการให้เมื่อรายการให้กลายเป็นความสุขเมื่อนั้นปัญหาสังคมจะถูกลดน้อยลงไปแก้ลงไปได้ทันทีเลยพอมนุษย์จะเกื้อกูลกันเมื่อมนุษย์ให้เขามีความสุขจะเป็นความสุขแบบสองฝ่ายสุขด้วยกันคือเราผู้ให้ก็สุขเมื่อเห็นเขามีความสุขส่วนผู้ได้รับนั้นก็มีความสุขจากการได้รับอยู่แล้วสองฝ่ายสุขด้วยกันก็เป็นความสุขแบบประสาน ความสุขแบบนี้ก็ดีกับชีวิตของตนเองด้วยคือตนเองก็มีทางได้ความสุขเพิ่มขึ้นการให้เป็นความสุขสาหรับตนเองด้วยแล้วก็ดีต่อสังคมเพราะว่าเป็นการเกื้อกูลกันทําให้อยู่ร่วมกันได้ดีอันนี้แหละที่ว่าเป็นคุณธรรมสองประการในเรื่องความรักถ้เาเป็นการแยกความหมายของความรักเป็นสองแบบเพราะฉะนั้นในวันวาเลนไทน์นี่เราน่าจะสอนคนให้รู้จักความรักสองแบบ แล้วก็ให้พัฒนาจากความรักแบบที่หนึ่งไปสู่ความรักแบบที่สองหรือให้ความรักแบบที่สองนี้เกิดมีขึ้นมาช่วยให้เกิดดุลยภาพในเรื่องความรักอย่างในระหว่างหนุ่มสาวนี้ถ้ามีแต่ความรักแบบที่หนึ่งอย่างเดียวแล้วจะไม่ยั่งยืนต่อมาไม่นานก็จะต้เกิดปัญหาแน่นอนเพราะว่าความรักนั้นต้องการที่จะเอาเขามาเป็นเครื่องบำรุงบำรอตนเองเท่านั้น้าอะไรตนไม่สมใจปรารถนาเมื่อนั้นก็จะเกิดโทสะความชิงชัง ปัญหาก็จะเกิดขึ้นดัง น, นั้นคนเราอาจจะเริ่มต้นด้วยความรักแบบที่หนึ่งได้เพราะเป็นปุตุชนแต่ว่าต้องรีบพัฒนาความรักแบบที่สองให้ขึ้นมาเพราะอยู่เป็นคู่ครองกันแล้วมีความรักแบบที่สองก็จะทําให้อยู่กันได้ยั่งยืนความรักแบบที่สองนี่จะเป็นตัวผูกพันที่สําคัญให้ชีวิตครองเรือนนี่มีความมั่นคงดัง น, นั้นอย่างน้อยปุตรชนเนี่ยก็ให้มีความรักสองแบบมามีดุญยภาพก็ยังดีแล้วขอให้ได้แค่นี้แหละ นะอย่างสามีพัญญานี้ถ้ามีความรักที่จะเอาแต่ใจฝ่ายตัวเองนะก็คือตัวเองต้องการเขามาเพื่อบรรลุความสุขของตนเองถ้าอย่างนี้ก็ต้องตามใจตัวไม่ช้าก็จะต้องเกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทแล้วก็บือ่อนายแล้วก็อยู่กันไม่ได้ไม่ยั่งยืนแต่ถ้าหากว่าเรามีความรักแบบที่สองคืออยากให้เขาเป็นสุขเราก็จะมีนับใจ พยายามช่วยพยายามทําให้เขาเป็นสุขถ้ามีความรักแบบที่นี่อยู่แล้วก็ความรักนั้นยั่งยืนแน่นอนเพราะต่างฝ่ายต่างก็คิดทําไงจะให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขสามีก็คิดทํายังไงจะช่วยให้พัญญามีความสุขพัญญาก็คิดแต่ว่าทําไงจะให้สามีมีความสุขคิดกันอยู่อย่างนี้ก็มีแต่ความเกื้อกูลกันอ่ะก็ทําให้ครอบครัวอยู่ยั่งยืนชีวิตก็มีความสุขได้ความสุขประเภทที่หนึ่งเนี่ยไปไม่ยั่งยืนหรอก วันวาเลนไทน์นี่รู้สึกว่าเขาจะย้ำแต่ความรักประเภทที่1เท่านั้นเองนั่นก็เป็นอันตรายไม่ช่วยให้คนพัฒนาในเรื่องคุณธรรมนั่นก็ตกลงว่าอันนี้ก็เป็นแง่ที่1ที่จะต้องยกขึ้นมาพูดก็คือว่าการพัฒนาคนในเรื่องความรักให้รู้จักความรักทั้งสองอย่างอย่างน้อยก็ให้มีดุนยภาพในเรื่องความรักสองข้อนี้และพัฒนายิ่งขึ้นจกนกระทั่งว่าคนเรานี้อยู่ด้วยความรักประเภทที่สอง ในความรักประเภทที่สองนี้แม้จะดีเพราะเราเปรียบเทียบกับความรักประเภทที่หนึ่งแต่ยังไม่สมบูรณ์มีจุดอ่อนได้เอาละทีนี้มาพูดกันต่อไปพุทธศาสนาจะต้องพัฒนาคนไปเป็นขั้นขนความรักประเภทที่สองเป็นคุณธรรมเป็นเมตตาแล้วนี่ก็ดีเยอะแล้วนี่เอาเริ่มต้นก่อนพ่อแม่ก็จะรักมีเมตตาเฉพาะลูกของตัวเองเนี่มีขอบเขตจำกัด พอเป็นคนอื่นแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเมตตานะฮะเพราะฉะนั้นตอนแรกนี้จะให้เป็นเมตตาแท้จริงนี้จะต้องกําจัดความเห็นแก่ตัวออกไปความจํากัดขอบเขตเฉพาะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกอันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นต่อไปท่านก็ให้ขยายความรักนี้ไปยังเพื่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายด้วยพอความรักนี้ขยายไปยังเพื่อนมนุษย์เป็นกลางๆได้เมื่อไหรนั่นจึงจะเป็นเมตตาตัวแท้ถ้าเมตตาที่ยังจํากัดเฉพาะบุคคล อันนั้นยังไม่ใช่เมตตาที่บริสุทธิ์ยังไม่แท้เพราะแพรไปได้สู่เพื่อนมนุษย์ต่อคนอื่นทั้งหลายทั้งปวงเป็นแบบเดียวกันมีความรู้สึกเป็นใมตีมีความรักปรารถนาให้เขาเป็นสุขได้ตอนนี้ไม่จำกัดขอบเขตแล้วเป็นเมตตาแท้แท้มีความบริสุทธิ์ที่ท่านให้แผรเมตตาในท่านมุ่งอันนี้เพื่อให้เราจเจริญเมตตาที่มันไม่มีความเห็นแกตัวประกอบอยู่ด้วย เมตตาก็ขยายออกไปก็เป็นคุณธรรมที่ทำให้จิตใจนี้มีความกว้างขวางนะเห็นเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนี่ก็เป็นเพื่อนร่วมโลกที่เราจะต้องปรารถนาดีหมดอย่างในกรณียเมตตาสูตรนี่ขันจะกล่าวถึงกันว่าบุคคลที่จเจริญเมตตาไปถึงจุดหนึ่งก็จะมีน้ำใจรักเพื่อนมนุษย์เหมือนอย่างเป็นลูกเลยนะมองเพื่อนมนุษย์เหมือนเป็นลูกไปหมดเลยมีความรัก ทีนี้ลักษณะความรักนี้มันมีอย่างหนึ่งคือมันนำความสุขมาให้ด้วยนะความรักแบบที่หนึ่งก็จะเกิดความสุขเมื่อได้สนองความต้องการที่ตัวจะได้ความรักประเภทที่สองก็ได้ความสุขเมื่อได้สนองความต้องการที่จะให้เขาเป็นสุขอันนั้นคนที่ทําจิตให้มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ได้หมดก็จะมีความสุขได้มากเหลือเกินคือเวลาเห็นเพื่อนมนุษย์มีความสุขทาให้เขาเป็นสุขได้ตัวเองก็มีความสุขด้วย คนประเภทนี้ก็เลยมีโอกาสที่จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นคนระดับนี้จะถึงอย่างเช่นพระโสดาบันพระโสดาบันนี่ไม่มีปัชฉริยะไม่มีความตระหนี่ไม่มีความหงแหนมีความพร้อมที่จะให้อันนั้นคุณธรรมเรื่องเมตตก็เจริญมากขึ้นด้วยอันนั้นมีความพร้อมที่จะให้ไม่มีความหงแหนไม่มีความเห็นแก่ตัวนั้นท่านจะมีความสุขจากการให้ได้ทั่วไป ก็เลยมีลักษณะของพระโสดาบันอย่างหนึ่งก็คือพร้อมที่จะให้อยู่เสมอจนกระทั่งว่าในวินัยของพระนีต้องบัญญัติไว้ว่าสงฆ์มีการแต่งตั้งให้ญาติโยมบางท่านนี่เป็นพระเสกขะเพราะว่าพระภิกษุบางรูปนี่เห็นก็นได้นายญาติโยมคนไหนมีศรัทธามากก็ไปขอเรื่อยจนกระทั่งอย่างพระโสดาบันนี่ท่านให้จนกระทั่งท่านเองลำบาก แต่ว่าท่านก็เห็นคนอื่นมีสุขหรือพระตอนต่างๆท่านก็ให้อยู่เสมอพระพุทธเจ้าก็บัญญัติวินัยให้สงฆ์เนสมมติสมมติคือหมายความว่าตกลงกันแต่งตั้งให้ฤๅษีที่มีลักษณะอย่างนี้เป็นพระเสกขะเป็นพระโสดาบันเป็นอริยะบุคคลแล้วไม่ให้พระภิกษุไปขอเนีอันนี้ก็เป็นเปล็ดความรู้แต่ว่าพระโสดาบันนี่มีลักษณะจิตใจที่มีเมตตามีความพร้อมที่จะให้ไม่มีความะัณฑ์ เพราะนั้นจะมีความสุขจากการให้อยู่เสมอลักษณะ จ, จ, จิตใจแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีกับตนเองท่านด้วยพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบทุกระหว่างปุุชนกับพระโสดาบันนี้ทุกของปุุชนน์นี่เหมือนภูเขาหิมาลายทุกพระโสดาบันนี้เหลือเท่าก้อนกรวดหมายความว่าพระโสดาบันนี้ทุกน้อยเหลือเกินใจมีความสุขสบายตลอดเวลาเหลือทุกเท่าก้อนกรวดเม็ดกรวดเท่า น, นั้น นี่คือผลอย่างหนึ่งของการที่ว่าได้พัฒนาจิตใจในการจเจริญเมตตาเป็นต้นจิตใจก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นตามลำดับแต่ต่มาขอย้อนกลับมาพูดอีกทีว่าแม้เมตตาจะเป็นความดีแต่ก็ยังมีโทษถ้าตราบใดเรายังไม่ไปถึงข้อที่สามก็คือข้อทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทำไมเมตาก็ดีแล้วเป็นคุณธรรมอย่างที่ว่า ทำไมมีโทษได้อย่างไรนะมีโทษเอาตั้งแต่ในครอบครัวก่อนค่อยๆพูดกันไปในครอบครัวนะั้นถ้าแม่พ่อมีเมตตา ม, มากก็จะดูแลเอาใจใส่ลูกแล้วก็คอยตามใจลูกอยากให้ลูกมีความสุขแน่นอนเมื่ออยากให้ลูกมีความสุขก็หาทางเอาอกเอาใจจนกระทั่งฝึงปลนเปลือยจะให้ลูกมีความสุขตามใจทุกอย่างลูกอยากได้อะไรก็ให้เพราะพ่ อ, พ อ, พอแม่ไม่หวงอยู่แล้ว อยากจะให้เพราะการให้ของพ่อแม่นั้นเป็นความสุขของตัวเองด้วยแต่ว่าการให้การแสดงเมตตาอย่างนี้มันจะขาดคุณสมบัติไปอันหนึ่งคือปัญญานะแล้วมันจะกลายเป็นความรักที่คิดสัน้นไม่ใช่ความรักแบบคิดยาวความรักแบบคิดสั้นก็คือเป็นประโยชน์เฉพาะในเบื้องหน้าทำให้ลูกมีความสุขขนาดนั้นตามใจลูกแต่ระยะยาวลูก อาจจะเสียเป็นคนไม่รู้จักโตนะพ่อแม่โอบเกินไปทำอะไรไม่เป็นเพราะมีเมตตากรุณาพ่อแม่ช่วยทุกอย่างไม่อยากให้ลูกลาบากเดือดร้อนไม่อยากให้ลูกปวดเมื่อยไม่อยากให้ลูกนะ่าต้องใช้สมองใช้กำลังอะไรทั้งนั้นนะนะอะไรๆแต่ก็ทำให้หมดเพราะนั้นลูกก็ทำอะไรไม่เป็นนอกจากว่าลูกจะเสียนิสัยในการที่ว่าเป็นคนเอาแต่ใจตนเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือทาอะไรไม่เป็น นั้นทําอะไรไม่เป็นแล้วก็กลายเป็นว่าชีวิตของเขาระยะยาวนี้จะไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้ดีเป็นความเสียต่อตอนเองชีวิตของเขาระยะยาวนี้พ่อแม่คิดอย่างนี้ก็เท่ากับรักลูกระยะสั้นระยะยาวไม่ได้รักจริงเพราะว่าไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของเขาดีในะระยะยาวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ตัดธรรมะแค่เมตตานี้เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าตัดธรรมะเป็นชุ ด, ชด ให้มีดุลยภาพต้องปฏิบัติให้ครบถ้าเราเอาธรรมะมาแยกกระจายออกไปเป็นข้อๆนี่เป็นอันตรายในสังคมของเราหรือแม้แต่ในการเรียนการสอนนี่นิยมกันที่เอาธรรมะมาแยกเป็นข้อๆเอาเมตตามาข้อเอาการุณามาข้อหนึ่งแล้วไม่รู้ชุดเข้ามันอยู่ที่ไหนพระเจ้าตรัสธรรมะให้เป็นชุดๆนี้มีเหตุผลเพราะธรรมะนั้นเป็นองค์รวม ต้องปฏิบัติให้ครบจึงจะมีความสมบูรณ์ในตัวถ้าไม่ครบแล้วมีโทษเมตตากรุณานี้ก็ถ้าปฏิบัติไม่เข้าชุดก็จะมีโทษได้มีโทษอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็คือว่าตามใจลูกแล้วก็ลูกไม่รู้จักทำอะไรเป็นไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเองเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะต้องก้าวไปสู่การใช้ปัญญาแล้วก็มีธรรมะข้ออื่นมารับมาทาให้เกิดดุลยภาพ หลักธรรมชุดนี้ก็คือหลักธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่ะฉะนั้นไม่ใช่มีแค่รักนะมีแค่รักไม่พอเนี่พราะพุศาสนาก้าวไปขั้นขั้นจากรักที่ผิดมาสู่รักที่ถูกรักที่ถูกก็ยังไม่พออีกต้องก้าวต่อไปอีกต้องมีธรรมะข้ออื่นมาช่วยด้วยพระพุทธเจ้าจัดธรรมะที่อยู่ในชุดของความรักต่อไปด้วยอีกสามข้อเ้าเรียกว่าพรหมวิหารสี่ประการก็คือหนึ่งนี่แหละตัวความรักเมตตา ปรารถนาดีอยากให้เขาเป็นสุขแล้วข้อสองคืออะไรข้อสองก็กรุณาความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์ข้อสามมุทิตาความพลอยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีความสุขหรือประสบความสําเร็จแล้วก็สี่อุเบกขาแปล ว, วางใจเป็นกลางแต่ข้อนี้ยากที่สุดเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีอธิบายเรื่องนี้จบวันนี้พอแล้วเพราะกินเวลามากเหลือเกินแต่ว่าอันนี้สําคัญมากโดยเฉพาะยุคโลกยุคปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ในครอบครัว เป็นธรรมะที่จะต้องปฏิบัติให้เกิดสมดุลก็ขออธิบายให้เห็นความแตกต่างระหว่างสีข้อนี้ก่อนข้อหนึ่งเมตตาแสดงออกต่อคนอื่นในสถานการณ์ที่เขาอยู่เป็นปกติเขาอยู่เป็นปกติเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยู่สบายแล้วก็มีเมตตามีความเป็นมิตรปรารถนาดีเมตตาแปลว่าน้ำใจของมิตร เมตตาเป็นคำเดียวกับคําว่ามิตระรลากศัพท์เดียวกันมิตรตาแผลงอีกก็เป็นเอเป็นเมตตานะ้วก็ทําทตามบยากรณ์ก็เป็นเมตมตาเมตาน้ําใจของมิตรคือคุณสมบัติของมิตรปรารถนาดีมีความรักนหนึ่งละสองสถานการณ์เปลี่ยนไปบุคคล น, นั้นตกต่ําเกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์เราย้ายจากเมตตาไปข้อที่สองเป็นกรุณาการุณาแสดงออกเมื่อคนนี้เกิดความเดือดร้อนตกต่ําเป็นทุกข์ นี่เป็นวิธีแยกระหว่างข้อหนึ่งขอสองโยมหลายคนในแยกไม่ออกก็เมตตากรุณาต่างกันอย่างไรวิธีแยกที่ง่ายที่สุดคือดูคนที่เราไปเกี่ยวข้องถ้าเขาอยู่คนนั้นเขาเป็นปกติเราใช้เมตตาถ้าคนนั้นเขาตกต่ำเป็นทุกข์ใช้กรุณาต่อไปสถานการณ์ที่สามคือเมื่อคนนั้นเขาขึ้นเขาได้ดีมีสุขประสบความสำเร็จทำอะไรแต่อะไรถูกต้องเรามาสู่ข้อที่สามคือมีมุทิตา หนึ่งเป็นปกติเมตตาสองตกต่ำกรุณาสามขึ้นสูงมุติตาสถานการณ์ของเพื่อนมนุษย์ของเราจะมีสามอย่างนี้ครบแล้วนี่แหละเราต้องปฏิบัติให้ครบแต่ท่านบอกว่ายัางไม่พอถ้าพอก็ไม่ต้องตัดข้อที่สี่ข้อที่สี่นี่แหละสำคัญมากเอาแล้วสถานการณ์ไหนจะทำข้อที่สี่ล่ะ สามสถานการณ์แรกก็ครบแล้วนี่คนไม่เป็นปกติมันก็ต้องตกต่มเป็นทุกข์ถ้าไม่ตกต่มเป็นทุกข์มันก็ต้องได้ดีมีสุขแล้วจะเอาอยัางไงอีกเนี่ยสถานการณ์ที่สี่ในยากที่สุดเลยเอาละอันนี้แหละจะไขปัญหาที่ว่าความรักนี่ไม่พอที่จะให้โลกอยู่ดีมีสุขนะธรรมะสามข้อที่ว่าไปแล้วเนี่ยเป็นหลักความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ เราอยู่ร่วมกันคนต่อคนคนนี้ต่อคนนั้นเราก็ใช้ธรรมะสามข้อแรกเนี่ยแต่มนุษย์นั้นไม่ได้อยู่ลำพังกับมนุษย์เท่านั้นนะเบื้องหลังลึกลงไปสิ่งที่รองรับโลกมนุษย์อยู่ทั้งโลกนี้คืออะไรคือธรรมชาติกฎธรรมชาติความเป็นจริงของธรรมชาติมนุษย์มีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยสามข้อต้นนี้พอแล้ว แต่ว่ามันยังมีอีกอันนึงก็คือว่ามนุษย์ไม่ได้สัมพันธ์เฉพาะกับมนุษย์เท่านั้นยังมีความสัมพันธ์กับความเป็นจริงของธรรมชาติด้วยแล้วอันนี้แหละรองรับอยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องคํานึงถึงอันนี้ด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นี้จะต้องระวังไม่ให้มันไปกระทบเกิดผลเสียต่อความสัมพันธ์กับกฎธรรมชาติหรือความเป็นจริงในธรรมชาติเพราะว่า ความเป็นจริงในธรรมชาตินั้นรองรับโลกมนุษย์อีกทีหนึ่งถ้าโลกมนุษย์ปฏิบัติวิปริตผิดพลาดไพรไม่ตรงตามความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วโลกมนุษย์เองจะพลอยเดือดร้อนจะเสียหายเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์สัมพันธ์กันในความสัมพันธ์สามอย่างแรกแต่ไปก่อผลกระทบต่อความเป็นจริงของธรรมชาติเมื่อไรเมื่อนั้นโลกมนุษย์เองจะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ให้หยุดอยู่แค่สามข้อตน จึงต้องพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความเป็นจริงท้องกฎธรรมชาติข้าไมข้อหนึ่งความเป็นจริงท้องกฎธรรมชาติคืออะไรคือการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุผลขั้วมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะี่แล้วก็คือความดีความงามอะไรต่างๆที่มีอยู่เป็นหลักสัจธรรมสิ่งเหล่านี้แหละมนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องในที่สุดและโลกมนุษย์ทั้งหมดที่เรามาสัมพันธ์กันด้วยข้อสามข้อต้นเนี่ยมันต้องตั้งอยู่บนอันนี้ด้วย เพะนั้นเพื่อจะให้โลกมนุษย์อยู่ด้วยดีพระพุทธเจ้าจึงตัดข้อที่สี่เข้ามาเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เนี่ยไม่ไปกระทบเกิดผลเสียหายต่อความสัมพันธ์กับกฎธรรมชาติหรือความเป็นจริงกับกฎธรรมชาติด้วยเอาละอันนี้ก็มาถึงจุดนี้ละก็หมายความว่า พขาก็ไดเจ้าตัดข้อที่4คือเบรคขามานี่เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติหรือกดความเป็นจริงของธรรมชาติให้อยู่ด้วยดีด้วยเพื่อผลดีนั้นจะได้เกิดขึ้นแก่สังคมมนุษย์เองเพราะว่ากฎธรรมชาตินี้รองรับสังคมมนุษย์อยู่อีกชั้นหนึ่งในกรณีที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในข้อ 1- ถึงสนี้ส่งผลกระทบต่อความจริงความดีงามหลักการของธรรมชาติแล้วความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์จะต้องหยุดไว้ก่อน ยกตัวอย่างเช่นว่าก็ยกบ่อยๆใช่นว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยไปลักของเขาประสบความสําเร็จได้เงินมาสองพันบาทสามพันบาทสถานการณ์นี้ทรงกฐธรรมะข้อที่เท่าไรเด็กคนหนึ่งประสบความสําเร็จในการลักเงินคนอื่นมาได้เงินตั้งสามพันบาทนี่คือสถานการณ์อะไร สถานการณ์ที่สามคือเขาประสบความสำเร็จถ้าตามหลักความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในคุณธรรมสามข้อแรกก็ต้องแสดงอะไรมุทิตาก็พรอยินดีด้วยส่งเสริมสนับสนุนนี่แต่ในกรณีนี้ปรากฏว่าถ้าไปแสดงความสนับสนุนแล้วส่งผลกระทบต่อตัวธรรมะแล้วตัวหลักเกณฑ์ความจริ ง, งกฎธรรมชาติหลักความดีงามใช่ไหมนี่คือกรณีที่ จะต้องหยุดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นี่คือสถานการณ์ที่สี่นะสถานการณ์ที่สี่ก็คือสถานการณ์ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเขาจะได้ดีตกต่ําขึ้นสูงอะไรก็ตามแต่ว่าถ้ามันไปกระทบต่อตัวความเป็นจริงหลักการความดีงามของกฎธรรมชาติต้องหยุดเลยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หยุดไม่เมตตามไม่กรุณามุทิตายังไม่แสดงออกเปิดโอกาสให้ธรรมะแสดงตัวออกมาเลยปฏิบัติตามธรรมะเอาหลักการเข้าว่า นั่นก็คือต้องเอาความยุติธรรมเขาว่าหรืออย่างผู้พิพากษาก็เป็นตัวอย่างที่ยกกันบ่อยๆจำเลยทำความผิดไปฆ่าคนตายผู้พิพากษาสงสารกลัวว่าจำเลยนี้จะต้องไปรับโทษติดคุกลําบากก็เลยตัดสินให้พ้นผิดอย่างนี้ช่วยคนผิดด้วยกรุณาก็เสียธรรมะใช่ไหมนี่คือความสัมผัสธระหว่งบุคคล น, นี้ไปทําลายตัวหลักการของความจริงของกฎธรรมชาติถ้าอย่างนี้แล้วโลกมนุษย์เองจะอยู่ไม่ได้ เพราะว่าโลกมนุษย์บอกแล้วว่าต้องตั้งอยู่บนฐานของความจริงหลักการของธรรมชาติอีกชั้นหนึ่งนั้นการสัมผันธ์ระหว่างมนุษย์นี้จะต้องไม่ให้ไปกระทบก่อผลเสียต่อกฎธรรมชาติหรือความเป็นจริงแห่งตัวธรรมะนี่คือข้อที่สี่ถึงตอนนี้โยมก็ตอบได้แล้วว่าสถานการณ์ที่สี่คืออะไรสถานการณ์ที่สี่ก็คือกรณีที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นั้นจะไปส่งผลกระทบต่อตัวธรรมะคือตัวหลัก การแห่งความเป็นจริงความดีงามที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นของกลางๆซึ่งเป็นตัวหล่อเลี้ยงรักษารองรับสังคมมนุษย์ไว้อีกชั้นหนึ่งถ้าไอ้ตัวนี้ไม่อยู่แล้วสังคมมนุษย์เองแม้จะสัมพันธ์กันดีได้สามข้อแรกก็อยู่ไม่ได้ะจะต้องทําลายแน่นั่นนี่คือสถานการณ์ที่สี่นี่คือที่สําคัญที่สุดดนั้นสามข้อแรกมนุษย์ก็สัมพันธ์กันได้ดีเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์มนุษย์ก็มีน้ําใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่พอถึงข้อที่สี่ก็คือมนุษย์จะต้องรักษาหลักการแห่งความเป็นจริงตัวธรรมะไว้ตัวธรรมะหลักการแห่งความเป็นจริงความดีงามในธรรมชาติแท้ๆ แ, และก็หลักการที่มนุษย์เอามาบัญญัติขึ้นในสังคมเช่นเป็นกฎหมายเป็นระเบียบ เ, เป็นกติกาสังคมเป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเรื่องของหลักการหรือตัวกฎเกณฑ์ธรรมะนี้ทั้งสิ้นดงนั้นเมื่อทําอะไรไปเวลามีเรื่องเกี่ยวข้องกับหลักการเราต้องถือหลักการแล้วก็หยุดข้อหนึ่งถึงสามไว้ท่านเรียกว่าใช้อุเบกขา และวางใจเป็นกลางไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงเพื่ออะไรเพื่อให้กฎธรรมชาติหรือหลักการในความเป็นจริงหรือตัวธรรมะเนี่ยมันได้ทํางานของมันมิฉะนั้นแล้วธรรมะจะเคลื่นคาดไปหมดต้งลงว่าเนี่ครบแล้วเพราะฉะนั้นความรักยังไม่พอหรอกความรักแม้แต่ที่ดีเนี่ยนั้นพ่อแม่จะเอาแต่รักลูกรักลูกตามใจลูกอย่างนี้ไม่พอลูกไม่เติบโตไม่เจริญงอกงามะนะพระพุทธเจ้าก็ให้ใช้เมตตากรุณามุติตานี่โดยมีดุลยภาพกับอุเบกขา ก็เทากัว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหมู่มนุษย์นี้จะต้องไปได้ดุลยภาพสมดุลกับความสัมพันธ์กฎ ธ, ธรรมชาติหรือความจริงของตัวธรรมด้วยในพ่อแม่ก็มีหน้าที่จะต้องวางเบกขาต่อลูกในสามสถานการณ์ที่ไม่ไปแสดงเมตตากรุณามุ้ทิตาวางใจเป็นกลางให้เขารับผิดชอบตัวเองหนึ่งเมื่อเด็กสมควรจะฝึกหัดรับผิดชอบตัวเอง ถ้าเด็กสมควรจะต้องหัดทําอะไรแอ่ไรให้เป็นเพื่อประโยชน์กับชีวิตของเขาในระยะยาวพ่อแม่อย่าช่วยอย่าไปเที่ทําแทนให้หมดหัดเขาให้รู้จักทําเองนี่คือรักรูประยะยาวถ้ารักระยะสั้นทําให้เขาเลยแต่ว่าเขาจะช่วยตัวเองไม่ได้ต่อไปถ้าเรารักระยะยาวเราต้องอุเบกขาวางเฉยดูให้โอกาสเขาก ว, วางอุเบกขานั่นเป็นการให้โอกาสเด็กจะได้พัฒนาเขาจะได้หัดทําสิ่งนั้นเองเป็น ก็เป็นอันว่าสถานการณ์ที่หนึ่งใช้อุเบกขาก็คือว่าในเมื่อเด็กสมควรจะหัดทำอะไรต่ออะไรเองให้เป็นหัดรับผิดชอบตัวเองนี้เราก็วางอุเบกขาสองก็คือว่าเมื่อเด็กจะต้องรับผิดชอบการกระทาของเขานะครอบครัวของเรานี้เป็นตัวแทนของสังคมใหญ่เราจะฝึกเด็กของเราไว้เพื่อไปอยู่ในสังคมใหญ่ต่อไปไปอยู่ในสังคมแล้วสังคมมีกฎเกณฑ์กติกาทาดีทาชั่วทํารยทา อะไรก็จะได้รับผลการกระทําของตนเองต้องมีความเป็นธรรมในสังคมดังนั้นในครอบครัวจะต้องฝึกความเป็นธรรมนี้ไว้ก่อนให้เด็กรู้จักรับผิดชอบการทําผิดทําถูกรับผิดชอบการกระทําของเขาแล้วก็มีความเสมอภาคในระหว่างลูกที่ว่าไม่ลําเอียงอันนี้ก็สองแล้วสาสถานการณ์ที่สามก็คือว่าเมื่อโลกสามารถรับผิดชอบตนเองได้แล้วเขาสําเร็จการศึกษาเรียนจบแล้วมีการมีงานทํา เขารับผิดชอบตัวเองแล้วได้แล้วพ่อแม่ไม่เข้าไปก้าวไก่แทรกแซงในชีวิตของเขานะไม่ใช่ว่ารักลูกมากมีเมตตากรุณาก็เข้าไปจัดในครอบครัวเขาเออลูกอยู่กันอย่างงี้นะจัดอย่างงั้นอย่างงี้แล้วก็เลยครอบครัวเขาก็เลยไม่มีความสุขอันนี้เรียกว่าไม่มีอุเบกขาตกลงว่าเนี่ยถ้าพ่อแม่ทําถูกมีอุเบกขาแล้วชีวิตจะสมบูรณ์ลูกจะเติบโตยังมีความสุขเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ถ้าหากว่าพ่อแม่ขาดอุเบกขาในลูกจะเสียหลายอย่างคือไม่รู้จักโตไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเองแล้วก็มีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์เนะี่ยว่ามีปัญหาแม้แต่กับพ่อแม่เองด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนี่ก็อตมายกตัวอย่างดังนั้นจะต้องก้าวจากเมตตาความรักไปสู่อุเบกขาการมีปัญญาที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์สาหรับข้อหนึ่งถึงสามนั้นไม่จาเป็นต้องใช้ปัญญามาก คือว่าพอเราเห็นเขาเป็นยังไงเขาทุกข์เราก็กรุณาเขาได้สําเร็จเราก็มุทิตาได้ง่ายทันทีแต่อุเบกขานี่ยากต้องมีปัญญาต้องรู้ว่าอะไรเขาควรรับผิดชอบตัวเองอะไรเขาควรจะหัดจะฝึกจึงจะวางอุเบกขาได้แล้วอุเบกขานี่ไม่ใช่เฉยเมินหรือเฉยเมยเฉยมองอุเบกขาตัวเฉยมองคืออุเบกขาแปลว่าเข้าไปมองอยู่มองอยู่ใกล้ เฉยแต่มองดูตลอดเวลาหมายความว่าถ้าเขาเพียงพร้อมก็พร้อมที่จะช่วยถ้าเฉยมือหรือเฉยเอยท่านเรียกว่าเป็นอัญญานุเบกขาแปลว่าเฉยโง่เฉยโง่เป็นอุกุศสเป็นบาปนะนะถ้าใครเฉยไม่รู้เรื่องไม่เอาเรื่อ ง, เ อ, เ, องเอาราวนี้ท่านติเตียนเลยเป็นอัญญานุเบกขาเฉยโง่เฉยต้องมีปัญญาเบกขานี้สําคัญมากต้องมีปัญญาประกอบจึงปฏิบัติได้อันนี้แหละเป็นตัวอย่างเราจะต้องมีการพัฒนา เวลานี้วันวาเลนไทน์เนี่ยสักแต่ว่าตื่นเต้นฟูฟ่ฟากันไปไม่ได้หลักได้เกณฑ์อะไรเลยแม้แต่ในการดําเนินชีวิตที่จะให้คนมีความเจริญในการดําเนินชีวิตอย่างดีเด็กก็ไม่ได้คติอะไรขึ้นมาถ้าขืนอยู่กันอย่างนี้ดังนั้นมาคั่บบูชานี่จะมาช่วยแม้แต่หลักเรื่องไม่ทําชั่วทำดีทําใจให้ฝงใส่เนี่ยต้องพัฒนาค น, นจากการรักที่ผิดไปสู่ความรักที่ถูกต้องและความรักนั้นก็ยังไม่พอ ยังต้องมีให้ครบชุดต้องมีพรหมวิหารทั้ง4มีเมตตากรุณาเมตตาแล้วต้องมีอุเบกขาด้วยนะแม้แต่ในสังคมเองสังคมใดที่คนหนักในเมตตากรุณาเมตตาก็หนักในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลถ้าละทิง้งอุเบกขาสังคมก็เสียดุลยภาพเสียดุลยภาพยังไงก็คือคนจะช่วยเหลือกันระหว่างบุคคลมีเรื่องอะไรก็ช่วยเหลือกันจนกระทั่งมองข้ามหลักการกฎเกณฑ์กติกาสังคมไม่เอาเท่านั้นแหะ นในสังคมแบบนี้ช่วยกันระหว่างบุคคลจนไม่เอากฎเกณฑ์กติกาทำลายกฎเกณฑ์กติกามองข้ามกฎเกณฑ์กติกาไปเลยในสังคมที่เอียงสุดในอุเบกขาก็ไม่มีน้ำใจไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ตัวใครตัวมันเอาหลักเกณฑ์กติกาเขาว่าเธอทําไปตามกติกาก็แล้วกันถ้าเธอทําละเมิดกติกาเมื่อะไรฉันจัดการแต่ระหว่างนั้นก็ไม่มีน้ำใจต่อกันสังคมอย่างนี้ก็จิตใจไม่สบายเครียดแล้วก็ มีความทุกข์มีโรคจิตมีโรคประสาทมากก็เสียไปอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นสังคมจะต้องมีดุลยภาพและสังคมที่เอาแต่สามข้อแรกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากละทิ้งข้อที่สี่จะมีผลเสียออย่างหนึ่งก็คือว่าทำให้คนใ้ไม่รู้จักพึ่งตนเองคือหวังความช่วยเหลือจากคนอื่นได้เรื่อยเดี๋ยวฉันเป็นอะไรไม่มีจะกินหรือว่าลาบากก็ไปขอยืมเพื่อนได้ไปขอพ่อแม่ได้ เดี๋ยวคนนั้นกะมาช่วยเองก็ทําให้เกิดความประมาทสังคมก็ไม่เจริญพัฒนาเท่าที่ควรก็เสียอีกอันนี้สังคมที่มีแต่อุเบกขาไม่เอาใจใส่ช่วยเหลือกันตัวใครตัวมันถ้าหากว่าเอียงสุดจนเกินไปวันหนึ่งคนก็จะเกิดโทสะรุนแรงเพราะเห็นว่าไม่มีการช่วยเหลือกันเลยหรือนี่นั้นหลักการก็จะเอามันเลยทําลายเลยนั้นสังคมก็จะตั้งอยู่ไม่ได้สังคมที่อยู่กันได้เนี่ยเพราะว่ามีทั้งสี่ข้อ แต่เวลานี้ปัญหาก็คือว่ามันไม่พอดีเพราะนั้นถ้าสังคมจะดีจะดำรงอยู่ได้ด้วยดีนี่จะต้องมีครบทั้งสี่ข้อแล้วเมื่อครบสี่ข้อแล้วเราแต่ละคนที่ปฏิบัติตามนี้ก็จะเป็นพระพรหมพระพุทธเจ้าสอนให้เราทุกคนเป็นพระพรมที่เรียกว่าพรหมวิหารแปลว่าธรรมประจําใจของพรหมนั้นก็หมายความว่าให้เราทุกคนได้เป็นพระพรมตอนแรกก็ให้พ่อแม่เป็นพรหมก่อนท่านจึงเรียกว่า มาธรรมมาติมาตาปิตโรมานดาบิดานั่นแหละเป็นพรหมของลูกให้พ่อแม่ปฏิบัติธรรมะในฐานะพระพรหมต่อลูกให้ครบชุดก่อนพ่อแม่ต้องทำให้ได้ทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นทุกคนต้องเป็นพรหมเท่านั้นเลยเพราะเราทุกคนนะ่มีส่วนในการสร้างสรรค์โลกแล้วก็ดูแลรักษาอภิบาลโลกนี้ไว้ให้อยู่ได้ดีพระพรหมนั้นเป็นผู้สร้างโลกแต่พระพรหมของพรามนั้น ไว้รอโลกมนุษย์ทำลายแล้วค่สร้างใหม่ถ้าหากว่าเราไม่เป็นพรหมเสเองเราก็ได้แต่เป็นผู้ทำลายโลกไว้รอให้พระพรหมสร้างใหม่แต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เอาอย่างนั้นท่านบอกเราทุกคนนี่แหละเป็นพระพรหมถ้าเราทุกคนเป็นพระพรหมก็คือเราปฏิบัติตามหลักธรรมสี่ข้อนี้และเราทุกคนก็เป็นพรหมเพราะว่าเราเป็นผู้มีส่วนในการสร้างสรรค์โลกหล่อเลี้ยงอภิบาลรักษาดูแลโลกนี้ไว้ให้อยู่ในความสงบสุข ถ้าเราปฏิบัติตามธรรมะสี่ข้อนี้ได้เราเป็นพรหมทุกคนในโลกนี้จะมีสันติสุขอย่างแน่นอนอันนี้รับประกันได้เลยเพราะพระพุทธเจ้ากัดไว้ให้เราเป็นพรหมเราอย่าละเลยธรรมะข้อนี้เพ น, นั้นเวลานี้ก็มีปัญหามากในเรื่องการปฏิบัติธรรมไม่ได้ดุลยภาพไม่ครบชุดไม่ปฏิบัติตามหลักองค์รวมอย่างที่ว่ามาในวันนี้อาตมาเอาธรรมะเรื่องพรหมวิหารนี้มาเป็นตัวอย่างเพื่อแสดงถึงการที่ว่า การปฏิบัติธรรมเนี่ยมีหลายขั้นหลายตอนแต่หลักการอันหนึ่งก็คือการปฏิบัติธรรมที่ครบชุดเป็นอง์รวมให้มีดุลยภาพอย่างที่ว่ามั น, นี้ถ้าเราทําได้ตามนี้แล้วก็จะเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมใน เ, เรื่องความรักก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของการที่ว่าทําความดีอย่างเดียวไม่พอนะต้องก้าวไปสู่การทําใจให้บริสุทธิ์ด้วยคือการมีปัญญาที่จะชําระกิเลสวิฉะนั้นแล้วความเห็นกับตัวจะไม่หมดไป ถ้าความเห็นกับตัวไม่หมดไปและการปฏิบัติการต่างๆมันก็จะมีปัญหาอยู่เรื่อยแล่ก็แม้แต่เรื่องของความรักนี้ก็มีขั้นตอนอย่างที่กล่าวมาดังนั้นว่าหนึ่งในเรื่องความรักนิ้นหนึ่งก็คือว่าให้ก้าวจากความรักที่ผิดมาสู่ความรักที่ถูกซึ่งจะทำให้เกิดผลดีที่เรามีความสุขเพิ่มขึ้นและมีความสุขจกการให้สองแม้แต่ความรักที่ถูกต้องนั้นก็ยังต้องมีดุลยภาพด้วยการมีอุเบกขาเข้ามาช่วย ซึ่งเกิดจากการมีปัญญารู้จักพิจารณาปฏิบัติให้เกิดดุญยภาพในองค์ธรรมสี่ประการที่ว่ามาอันนี้เป็นตัวอย่างดังที่กล่าวมาแล้วนะก็กินเวลาญาติโยมซะเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะสายเกินไปเดินทางไปถึงอนุกรรมมืดแน่นะพูดไปพูดมายาวกันใหญ่เพราะฉะนั้นก็เห็นว่าแสดงธรรมะในในวันนี้เรื่องโอวาทปาิโมกโดยเจาะที่หัวข้อ ละชั่วหรือไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ฝงใสป็นการเสริมคุณค่าแก่วันสำคัญนี้ไม่ว่าจะมองในแง่เป็นวันมาคบุชาหรือวาเลนไทยก็ตามอย่าโมไปตื่นแต่แค่วัฒ น, นธรรมตอนตกถ้าเราปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมแล้ววาเลนไทยก็จะได้ประนิชขึ้น <c oughs> มนุษย์จะพัฒนาขึ้นแล้วก็เข้าสู่คำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่หลักของการที่ว่าไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ฝงใสนี้ ซึ่งเป็นคำสอนที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองมีความครบถ้วนและมีดุลยภาพด้วยอาตมาก็หวังว่าญาติโยมทุกท่านก็คงจะได้มองเห็นความสำคัญของหลักธรรมสามประการนี้ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ซึ่งครอบคลุมข้อปฏิบัติทัท้งหมดแล้วก็อยู่ในองค์มรรคแปดประการก็มรรคนั้นก็เป็นวิถีชีวิตของชาวพุทธก็เมื่อเราปฏิบัติ ต, ตามหลักมรรคแล้วก็จะก้าวหน้า ในพระธรรมของพระพุทธเจ้าจนถึงจุดหมายคือพระนิพพานได้วันนี้เป็นวันที่สุกดิบก่อนจะถึงวันมาคบูชาก็ถือว่าเรามาประกอบพิธีมาคาบูชากันในวันนี้เลยเพราะเรามาถึงสถานที่นี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ทราบซึ่งโยมาได้ศรัทธาแล้วมีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าในพระราชณัจัยและเราก็มาฟังธรรมะกันเพื่อให้ ศรัทธานั้นนาไปสู่ปัญญาด้วยได้ทั้งศรัทธาและปัญญาก็จะเกิดประโยชน์ต่อชีวิตอย่างแท้จริงเพราะปัญญาเป็นตัวนาเอาธรรมะไปใช้ปฏิบัติด้วยตนเองให้พึงตนเองได้อันนี้ก็จะก่อให้เกิดผลแล้วสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติติบูชาก็จะตามมาพอเราเป็นปฏิบัติติบูชาได้ก็คือบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการบูชาอย่างสูงสุดก็จะสํฤทธิผลแห่งการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ศึกษาสนิกชน สำหรับวันนี้นั้นเรามาถึงสถานที่นี้แล้วเราก็ทําบูชาให้ครบทั้งสองอย่างเลยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาสําหรับปฏิบัติบูชาก็เอาธรรมะที่กล่าวเนี่ยญาติโยมเข้าใจและปฏิบัติส่วนเฉพาะหน้าเราก็จะได้เวียนเทียนและทําประทังษิณองค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้าในพระเวรุวันอันเป็นที่กําเนิดแห่งพิธีมาคบูชานี้ต่อไปก็ขอให้โยมทุกท่านได้เจริญศรัทธา ขอให้มีจิตใจที่มีความเบิกบานผ่องใสให้มีปีติมีความอิ่มใจว่าเราได้มานมัส ก, การพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับอีกแห่งหนึ่งแล้วโดยเฉพาะก็คือวัดแรกในพระพุทธศาสนาและเป็นวัดสําคัญเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่และประฏิษฐานพระพุทธศาสนาด้วยให้โยมทําใจให้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้านึกเหมือนว่าพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ใกล้ๆคาใจว่าเราได้เฝ้าพระองค์แล้วก็มีความอิ่มใจเบิกบานใจมีความสุข แล้วก็ให้กุศลความสุขที่ได้เกิดขึ้นในวันนี้หล่อเลี้ยงจิตใจเป็นปัจจัยช่วยสร้างสรรค์ให้โยมมีชีวิตที่เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในโอกาสนี้ก็ขอตั้งจิตอานวยพรอีกครั้งหนึ่งขอคุณพระรัชนตรยัยจพิบาลักษาให้โยมญาติมิตรทุกท่านเจริญด้วยจัตุรพิทผรชัยมีความเจริญงอกงามพร้อมด้วยกาลังกายกาลังใจกาลังปัญญา ที่จะดำนวนชีวิตประกอบกิจให้ประสบความก้าวหน้าและความสำเร็จมีความร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยโท ก, กันทุกท่านตลอดการทุกเมื่อเทิน